ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่สนใจธรรมะนุโมนาเราพอยินดีด้วยนะยินดีด้วยที่สนใจในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นั่นเองปีใหม่นะมกรลาหลายคนปฏิบัติกันมาหลายปนะีตั้งแต่มีจุดประกายรัศมีใหม่ขึ้นมาในทิศทางของพวกปัญญาชน เราปฏิบัติกันมาหลายปีพอสมควรหรือช่วงหนึ่งพวกปัญญาชนเนี่ยจะต้องทํางานวิจัยมีข้อมูลพอประมาณแล้วมาทํางานวิจัยหรือเอาเข้ามาแยกแยะดูไม่ได้ปฏิบัติแบบเดินไปดุ่มๆโดยไม่ได้พิจารณามันเดินมาพอสมควรแล้วมาพิจารณาดูว่าการเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นอะไรบ้างสิ่งที่เห็นมันเห็นอะไรหรือคาว่าที่พวกเราตามดูตามรู้เนี่ย เราตามดูตามรู้อะไรกันอยู่หรือเรรู้ไปเพื่ออะไรรู้แล้วจะเห็นอะไรเลยลองมาสรุปกันดูนะสรุปกันดูอย่างที่พวกเราตามดูตามรู้มันเข้ามาประจับในตรงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตรงปัจจุบันขณะของจิตบางทีเราอ่านหนังสือที่เป็นความรู้ว่ากำลังเปรียบเทียบว่าระหว่างความรู้กับตัวผู้รู้กับตัวรู้จริงๆไม่เหมือนกัน สมัยก่อนเวลาเราศึกษาธรรมะพวกเราเป็นคนชาวเมืองเป็นพวกนักปราชเป็นพวกใยหาความรู้เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อก็เกิดที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆพวกนิสัยหาความรู้ตลอดอ่านหนังสือมีความรู้เห็นไหมมีความรู้แต่การที่เราเข้ามาดูจิตดูใจเนี่ยในยุคสมัยเนี่ยมันเป็นการเข้าไปรู้สภาวะจริงๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งต่างกัน ผลให้ผลรับต่างกันบางทีเราอ่านมานานในเรื่องเดิมๆแต่การเข้าไปเห็นกับได้รั บ, รบผลชาติที่รับผลชาติที่เป็นจริงมากกว่าการตามดูดูอะไรที่หนึ่งลองสรุปคนดูนะเราตามดูกันผ่านมาหลายหลายปีนะหรือหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ต้องข้ามปีแล้วนะเพราะนี่ปีใหม่ตามดูอะไรเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เป็นสภาวธรรมใช่ไหมนี่ก็สภาวธรรมสภาวธรรมเนี่ยมันก็กาลังเปรียบเทียบมันเหมือน น้ำที่ประหยชน์ตัวบนผิวน้ำอะไรกันที่มันเกิดเป็นวงเล็กๆขึ้นหรือวงใหญ่ขึ้นหรือวงที่กระชอกขึ้นวงที่กระเด็นขึ้นวงที่กระเพื่อมขึ้นเราตามดูมานั้งหลายๆรูปแบบเต็มไปหมดเลยหรือก็ า, าฟังคนส่งการบ้านครูบาอาจารย์เฮ้ยเขาส่งสภาวะธรรมเป็นไม่รู้กี่ตัวตัวนู้นตัวนี้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่ส่งคือ ต, ตัวสงสัยบ้างตัวหลงบ้างตัวอะไรต่างๆบ้างเหมือนกเราที่เราตามดูหยดน้ํามานานแสนนานที่มันกระทบไประลอกหลากหลายเนี่ย เราดูไปเพื่ออะไรทุกทุดเราจะพบข้อสรุปอย่างหนึง่งเราตามดูเพื่ออะไรอย่างที่พระอาจารย์ท่านวาวไว้ในการดูจิตจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะรู้ว่าราคะมีแล้วก็หายไปหรือพวกที่พวกที่มีราคะกับพวกที่มีโทสะไม่เหมือนกันหลวงพ่มีพระเอาหนึ่งที่เคารพรักอยู่ท่านไม่ค่อยเป็นคนมีความโกรธแต่ท่านจเป็นคนมีความสุขสนุกสนานพอยินดีกับเรื่องต่างๆเร้าใจ การที่จะจะเห็นสิ่งสงดิดีงา ม, งามสุขสนานสวยงามอย่างนี้จะให้ท่านรอดูเสือมีเสือให้ดูไหมไม่มีพวกที่มีโทรวด飒มันเหมือนมีเสืออย่างนี้นะเหมือนมีไฟอย่างนี้มันมีไฟเอาให้ดูส่วนพวกที่มีดงดอกไม้มีใไอระอองน้ําสวยๆมีระอองน้ําเอาให้ดูทั้งสองคนเนี่ยดูแลเห็นอะไรเห็นเหมือนกันนะเห็นลักษณะว่าไอระอองน้ําที่มันสวยๆเป็นไม็ดน้ำค้างเนี่ยมันมีแล้วก็หายไปคือพวกราคะนั่นเอง ส่วนไอ้พวกที่ดูเป็นละอองน้ําที่เดือดเดือพุ่นพรานมันมีแล้วก็หายไปเหมือนกันแต่จะให้คนที่มีละอองน้ําค้างเนี่ยไปรอดูละอองน้ําที่เดือดพัดพร่านได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีให้ดูนะให้กระดิแยกว่าพวกที่ดูมีราคะก็เอาไปดูราคะเพื่อจะดูว่ามันไม่มีแล้วก็มีมันมีแล้วก็หายไปส่วนพวกที่มีทศสาโทศสาวบ่อยๆก็เอาไปดูโทศสาวมันไม่มีมีแล้วก็หายไปแบบนี้ต้องการเห็นตัวนี้เท่านั้นเองเรียกว่าอะไร วิปั ส, สนาญาณวิแปลว่าวิเศษปั ส, สนาก็คือมันทัศนาเป็นการเห็นอวิเศษเห็นอะไรเหรอเห็นแล้วว่ามันไม่มีมาก่อนเลยสักตัวหนึ่งมันมีขึ้นแล้วมันก็หายไปใ น, นที่สุดอ้าวแสดงว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงสิเห็นไหมเราต้องการปัญญาตัวนี้เองนะที่ว่าวิปั ส, สนาแิ่ที่เรา ท, ทําสมถะเป็นบาดฐานนี้หรือคนที่เคย ท, ทําสมถะ น, นี่ทีเลยเราขึ้นวิปั ส, สนาหรือยังเรา ท, ทําสมถะเป็นบาดฐานเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้เกิดวิปัสนา ที่ผสมมรราเป็นบาทฐานได้พิพิพันาไม่เคยขึ้นได้ยังไงหรอเราเรามาสรุปกันดูนะในปีใหม่ปีนี้เราหลายคนคิดว่าเคยทําสมถะกันมาแน่นอนคนที่สนใจศาสนาพุทธเนี่ยต้องเคยทําเรื่องสมาธิลองทำเล่นเล่นดูด้วยตัวเองมีเี้ไม่ต้องลืมไม่ต้องหลับตาก็ได้นะทําสิ่งที่เคยทำ ส, สักสักสิวินาทีใครเคยดูลมหายใจก็ดูใครเคยท่องพุทโธก็ดูใครเคยดูท้องท่องยุบก็ดูลองทําล่นเล่นดูซิ ว, ว่า ให้คำว่าสมถตาเป็นบาทฐานกาศณามันคืออย่างไรตอนที่ทาสมถะอย่างเดียวนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเล่นเล่นสักแว บ, บหนึ่งทําสมัติเนี่ยผลลัพธ์เป็นความสงบนะไม่ต้องฟังหลวงพ่อหรอกหลวงพ่ อ, พอแค่พูดเฉยเราทําสมถตของเราไปผลลัพธ์เป็นความสงบหรือเป็นความสุขหรือเป็นความสงบนั่นเองที่ทําให้จิตเนี่ยมันสงบลงชั่วคราวอย่างน้อยเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบลงสั้น ส่วนอุปจาระสมาธิถ้าจิต ท, ที่ไม่ส่งออกเนี่ยมันจะสงบป้วนเปี้ยนอยู่กับแถวจิตแถวใจมันต้องค่อยออกมาข้างนอกอาใครลองสังเกตอุปจาระสมาธิอยู่ได้ก็ได้จิตจะป้วนเปื้อนอยู่กับแถวจิตแถวใจอย่างงี้พอเป็นบาทฐานแล้วตอนนี้ไม่ต้องทํานะพอไม่ทําปับ๊บดูซิอาจจะมีความคิดโผล่ขึ้นมาเห็นไหมความคิดเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีไม้ความคิดเนี่ยลองเข้าไปดูจริงๆสิมันมีตัวตน จ, จริงไหมเมื่อกี้ที่มันเกิดขึ้น ถ้ามองเห็นทันจะประกอบว่ามันประกอบด้วยสัญญาเห็นไหมความคิดเรียกว่าสังขารละขันสิ่งที่ประกอบประกอบจากสัญญาขันคือมันไม่มีตัวตอนนี้ตัวเองคืออะไรคือความจําที่คิดเนี่ยเอาความจํามาคิดใช่ไหมอย่างเช่นเดี๋ยวความจําชื่อคนโผมาหรือความจําเรื่องราวโผเข้ามาสั่งให้มันคิดหรือเปล่าเมื่อกี้เปล่าพอเราถอยจากสมถะนิด น, นึงปั๊บความคิดโผลมาทันทีเราเรียกว่าสมถะเป็นบาดฐานที่ปริศนาเพื่ออะไรเพืจะเห็นว่าเมื่อกี้มันไม่มีตอนนี้มันมี มีโดยที่ไม่สั่งเนี่มันคิดมันก็คิดอย่างนี้มีแล้วมันอยู่กับที่ได้ไหมมันอยู่กับที่ไม่ได้มันหายไปแล้วแล้วเดียกก็มีมาใหม่เห็นไหมถ้าใจเห็นอย่างนี้ในเมื่อมันไม่เคยมีมาก่อนมีแล้วับวับก็หายทันทีทันใดควรจะไปยุ่งกับมันไหมถ้าปัญญาบอกไม่ควรยุ่งมันจะเป็นกลางทันทีเลยโยมเห็นไหมเนี่ยครูภูเทศสอนไว้ทั้งนาสอนหลวงพ่อด้วยตั้งแต่ปีสองหผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในเมื่อมันไม่มีแล้วมีมีแล้วก็หายไป ถ้าใจดูด้วยความเป็นกลางมันก็ไม่ทุกข์สิถ้าไม่เป็นกลางแปลว่าอะไรอย่างเช่นพอมันมีขึ้นมาแล้วไม่ชอบมันอ้าวมันก็ทุกข์สิใจมันก็ร้อนปุบุบๆุบปขึ้นหรือมีแล้วชอบมันก็ไหลตามฟูฟ่องล่องรอยไปมันก็ทุกข์สิทุกข์จากการกระสับกระสายกระวนกระวายที่จะยึดมันไว้เป็นต้นเห็นไหมแต่ถ้าดูแบบนี้เป็นผู้รู้ตัวจริงนะเป็นผู้ดูเรียกว่าวิปัสนาเป็นการเห็นอันพิเศษว่าเฮ้มันไม่มีแล้วมีขึ้น มันไม่มีแล้วมีขึ้นเช่นสัญญานะที่เกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้อยู่ในหมวดธรรมมาลุกพัฒนาสติปัญญานด้วยนะอย่างเช่นสัญญาขันอย่างนี้อย่างเช่นชื่อคนนะอไม่มีแล้วมีขึ้นลองนึกถึชื่อประธานาธิบดีอเมริกาสักคนนึงสิเล่นเล่นเห็นไหมว่าไม่มีแล้วมีขึ้นมามีจากใครเหรอสัญญาหรือเพราะผู้ชื่อไกลๆตัวชื่อนี้ไม่ค่อยมีบทบาทต่อเราเพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ไหมใจยิ่งเป็นกลางง่ายเลยไม่มีชื่อนี้ขึ้นมาแล้วมีขึ้นมีแล้วอยู่กับที่ไหม หายไปแล้วเห็นไหมโยมเรียสัญญาขันเห็นไหมโยมดูแบบนี้นะเสัญญาขันนี้ความจริงๆเลยความจําชี้ประธานาธิบดีคนเนี้ยไม่ว่าความจําที้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นหรืออยู่ที่ประเทศอเมริกาอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่จีนแดงอยู่ที่ตะวันออกกลางความจําที่เรียกวา่าสัญญาขันมันเป็นของใครจริงๆเลยหรือเป็นแค่ความจําหรือเป็นแค่สัญญาขันเห็นไหมขันห้าทั้งข้างนอกข้างในทั้งตรงนี้ทั้งตรงนู้นทั้ ง, ท, งทั้งใกล้ทั้งไกลไม่มีใครเป็นเจ้าของ ที่เป็นการเห็นอันวิเศษนะว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีมาก่อนใช่ไหมเพราะอะไรถึงไปถึงไปมีสัญญาตัวนี้ล่ะก็พราะไปรับรู้ผ่านหูกระทบเสียงผ่านตาเห็นรูปเรียกว่าวิญญาณขันเห็นไหมแสดงว่าสัญญาก็ไม่มีตัวตนเกิดจากกระแสวิญญาณขันและสัญญาก็มาพลิกผันกลายเป็นสังขารและขันคือความคิดเห็นไหมนี่เป็นการที่เราตามดูนะตามดูเพื่็นลักษณะของมันเองว่าอ้อมันไม่ได้มีตัวตนมันเป็นของเกิดดับมันไม่มีแล้วมีขึ้นมีแล้วก็หายไป ไม่มีแล้วมีขึ้นมีแล้วก็หายไปเรียกว่าอะไรมีความปรนแปรเห็นไหมเห็นอันนี้จังของมันเห็นแบบนี้นะเห็นอันนี้จังตรงปัจจุบันขนาดนะไม่ใช่เห็นว่าเมาสี่โมงเย็นนี่หายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ย น, นะเห็นตรงปัจจุบันขณะของจิตที่เกิดดับเรียกว่าปัจจุบันสันตติปัจจุบันที่มันกําลังเกิดดับทีละขณะไม่ได้มีตัวตนอย่างนี้เห็นแล้วมันจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนปรละสัญญาวิปุราตละความญาติวิปุราตว่าวิปุราตว่าอะไรมันคลาดเคลื่อนว่า มันมีตัวตนตอนนี้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีตัวตนอะไรไม่มีตัวตนความจําไม่ได้มีตัวตนหรือว่าความคิดไม่ได้มีตัวตนคือขันห้าไม่มีตัวตนนั่นเองอย่างเช่นสังขารและขันที่เป็นความคิดเอาความจํามาคิดความจําไม่มีตัวตนเอาความรับรู้มาจําตรงไหนล่ะที่เป็นของเราไม่เห็นมีเลยเห็นไหมเพื่อจะละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นอัตตาแท้จที่มันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่มีแล้วมีขึ้นมีแล้วหายไปแสดงว่ามันไม่มีตัวตนถาวรอนาตตาก็ปรากฏสิเห็นไหมโย นี่แหะเข้าไปเห็นความจริงนี้อ้อรสชาติของความจริงนี้ทําให้ใจมันมันเป็นกลางขึ้นหรือสงบขึ้นหรือมีความสุขขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการข่มแต่การที่มีปัญญาเห็นความจริงต่างหาจิตใจมันเลยเป็นกลางและสงบขึ้นหรือมีความสุขที่แบ่งบานขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเอเียงไปทางข้างไม่ชอบข้างไม่ชอบมันก็ไปเป็นกลางมันก็ร้อนรุ่มขึ้นมาข้างชอบมันก็กระสับกระส่ายกระวนกวายอยากจะไขว้าอยากจะครอบครองสิ่งนั้นมันก็ไม่มีความสุข ไอ้ความเป็นกลางนี้เห็น ไ, ไหมมันกลับเปความเบิกบานจากอิสรภาพแบบนี้เป็นต้นนี่ตามดูเพื่เห็นตัวนี้นะลองสรุปดูนะว่าที่เราตามดูมาทัองหดนี่อ๋อเพื่อจะเห็นตัวนี้เองว่ามันไม่มีแล้วก็มีมันมีแล้วก็หายไปเรียกว่ามีปีชาญาณมีพสัสดญานเกิดขึ้นแล้วกับผู้ปฏิบัติผู้เข้าไปเห็นความจริงนี่เองว่าเกิดเห็นความเกิดดับแล้วที่ปริศนาตัวแรกเลยนะได้กับอุทยาพยาญาณเนี่ยมีปีชายานเห็นความเกิดดับถ้าเห็นความเกิดดับก็แสดงว่าอันที่หนึ่ง มันทนอยู่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไอ้ที่เกิดขึ้นเป็นแค่สัญลักษณ์เป็นแค่ซิมบริกอย่างเช่นความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นแค่นิมิตเลยเป็นแค่สัญลักษณ์ทนั้นที่สร้างขึ้นมาถ้าไม่เอาหลุดออกมามีชื่อเรียกว่าอะนิมิตตะวิโมขุดพ้นจากไอ้สิมบริกแบบนี้เหมือนฝันนะฝันแล้วตื่นตอนเช้ามันแค่ของปลอมเปนมายมยมเขตื่นมาจากความฝันหลุดออกมาจากความฝันเพราะความฝันไม่ใช่ของจริงแต่ขณะที่เราฝันอยู่มันไม่มีตัวผู้รู้เข้าไปสังเกตไงมันเชิดเข้าไปจมอิน นั้นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดเหมือนกัน you know, เห็นไหมแล้วที่คิดเรื่องเมื่อกี้เรื่องปรชื่อประธานอธิบดีเมื่อกี้นี้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเวลาคิดและจมอยู่กับความคิดในเรื่องเอาจรงิงเอาจังแต่ผู้ปฏิบัติธรรมถอยมาเห็นลักษณะของสิ่งที่คิดนั้นว่ามีองค์ประกอบของอะไรเนะี่ยเอาไหมจริงว่าเวลามันเกิดขึ้นดีสิจะได้เอาไว้ดูดูจะรู้จักว่ามันประกอบด้วยอะไร mm. อย่างนี้เป็นต้นนะอ๋อเห็วนว่าองค์ประกอบแล้วอ๋อมันไม่มีตัวตนเห็น<ๆ>ไหมมันโผล่เข้ามา ไม่ใช่ว่าห้ามไหมให้มันโผล่มานะความจําหรือความคิดโผล่มาสิดีจะได้เอาไว้ดูอ๋อมีเอาไว้เป็นบทเรียนเรียนรู้ว่ามันไม่ได้มี ต, ตมัวตนมีองค์ประกอบแบบนี้นี่เองถ้าไม่โผล่มาก็ไม่รู้จักองค์ประกอบของมันอย่างนี้นะไม่ว่าโซที่เป็นความคิดที่มันปริยแยมคือมันใน จ, จิตใจที่มันไม่มีมาก่อนอย่างความจําชื่อลุมพ่อมีมาก่อนไหมไม่มีเพิ่งจะมีมไม่ไม่นานวันนี้เนะแล้วก็มีขึ้นมีได้ทนอยู่กับที่ได้ไหมไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็หายไป มีพ่อะไรล่าเพราะเคยได้ยินชื่อเคยเห็นภาพบ้างหนี้เป็นต้นเห็นไหมอ๋อพอไรกระจายกระจายองค์ประกอบออกถอดองค์ประกอบออกมันไม่ไม่มีตัวตนอยู่ก่อนนี้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมใจก็วางใจเป็นกลางขึ้นมาทันทีมันเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ได้เป็นกลางเพราะข่มเอาไว้หรือมันสงบเพราะว่าเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ได้สงบเพราะข่มเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นมันเริ่มพบทางออกของชีวิตแล้วว่าถ้าไม่แตะมันในทางที่ไม่ชอบใจจะไม่ทุกข์ร้อนเลยไอ้ความทุกข์ร้อนไม่ได้มีอยูก่อนทุกพ่อไร คือสัญญาขันกระดีโผมาสังขารและขันโผเข้ามาเราไปยึดมันเรียกว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกข์อ๋อที่พระเจ้าท่านตรัสว่าว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันห้าเป็นทุกข์ตอนที่ท่านตารัสเรื่องอริษษษสสีทุกข์คืออะไรทุกข์คือว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันห้าเป็นทุกข์คือเข้าไปยึดกับความจํามันนั้นแล้วก็ชอบมันหรือไม่ชอบมันทั้งที่โตมันไม่ใช่กิเลสในความจําความจําอยู่ในสุนัขเป็นของสุนัขไหมไม่ใช่เป็นแค่ความจํา ใช่ไหมอย่างเช่นสุนัขมันอยู่แถวแบ้านใครมันก็จําสิ่งแวดล้อมมันนั้นซึ่งคือสัญญาขันเจีเพนว่าอยู่ในรูปล่างนั้นแต่ไม่ใช่ของจริงจริงบอกว่าสัญญาขันตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนเห็นไหมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความจําอันนี้ไม่ใช่ของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายก็เป็นแค่สัญญาขันอย่างเช่นการจําชื่อประอาจารย์ิบดีถ้าคิดว่าความจําอื่นไม่เหมือนกันเหรอม่นก็ไอความจําเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อยกตัวอย่างอันนี้มันไกลตัวหน่อยไงมาเลยไม่ค่อยถูกมาผันพิสดารด้วยทมาาตัณห เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอีกส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่ <unc> ถ้าชื่ออื่นนะชื่อที่ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะเห็นไหมบางทีมันก็เข้าไปประมวลด้วยทิฏฐิเห็นไหมเข้าไปผสมด้วยด้วยมานะว่าเราเรามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมีเราชอบเราไม่ชอบมีเราดีกว่าเขามีเขาผิดมีเราถูกมีตัณหามีทิฏฐิสมตัวเข้าไปพันพิสดารขึ้นมาอย่างนี้มันเลยกลายเป็นความวิปรัชเกิดเป็นจิตวิปราชขึ้นมาคิดผิดผิดขึ้นมาเห็นผิดขึ้นมาแต่ถ้ามองมุมนี้อยู่มันจะเกิดความเห็นถูก ละความเห็นผิดเห็นไหมนี่คือต้นทางเลยนะถ้าเกิดเห็นตรงนี้เป็นปับ๊บเห็นมุมนี้บ่อยๆเดือนใจจะไม่ค่อยก่อโทษก่อทุกก็ดูสีถ้าใจมันเป็นกลางอย่างสม่ำเสมอกับทุกขันที่กำลังทํางานเนี่ยโยมมันจะทุกข์ไปได้ยังไงถ้ามันเป็นกลางอย่างสม่ำเสมอตรงนี้นะเป็นก้าวเดินของนักปฏิบัติแต่ละคนต้องพยายามเดินมาให้ถึงเดินไหมเข้าใจตรงนี้ให้ได้นีมันจะสึกสึกว่าอ้อเราเราได้ไประโยชน์จากศาสนาพุทธที่เขาเห็นเข้าไปเข้าใจความจริงแบบนี้แนละ ซึ่งเห็นได้ยากหรือน้อยคนยังไม่เห็นถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเป็นของขวัญอันล้าค่าของปัญญาเมื่อก่อนเราเคยได้จะสวดมนต์สวดว่าอะไรนะขันไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรือว่ารูปปังอา น, นิจจังอะไรที่เราสวดๆกันอยู่แต่ถ้าเราไปเห็นของจริงอย่านี้หรือว่าสัญญาอา น, นิจจังอย่างนี้ถ้าเราไปเห็นของจริงตรงปัจจุบันขณะนี้สิถึงีได้่าเห็นจริงถึงว่าเราสวดกันมาเยอะแล้วเราอ่านกันมาเยอะแล้วแต่เราไม่เคยประจักษ์ของจริงอย่างนี้เลย การที่เรามาตามดูตามรู้เพื่อจะเห็นของจริงว่าสัญญาเนี่ไม่มีมาก่อนมีแล้วก็หายไปคือเห็นความเกิดดับหรือสัญญาที่มาผันเป็นความคิดความคิดตัวนี้ไม่มีมาก่อนมีขึ้นแล้วก็หายไปเรียกว่าเห็นความเกิดดับถ้าเห็นแล้วมีใจเป็นกลางจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเห็นเราไปอุปทานเข้าไปยึดมันยึดด้วยความชอบยึดด้วยความไม่ชอบนี่มันคือมีตัณหาเข้าไปผลเปื้อนนั่นเองมีตัณหากือความเกิดดับหรือเมื่อสิ่งนั้นไม่มีมาก่อนแล้วก็มีเพื่อจะจากไปทําไมเรต้องจุ่งกับมันด้วยนิยม ลอง ด, ดูให้ดีสิเห็นไหมถ้าดูปัจจุบันขณาดนี้นะแล้นเราเอาศัยสมถตาเป็นบาดฐานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทําสมถตานนะทำได้แต่ทําเพื่ออะไรทําเพื่อเป็นบาดฐานทําเพื่อเคลียร์โต๊ะเนี่ยให้มันโล่งๆแล้วบรารฝาแก้วที่ไปวางอยู่จะได้เห็นหรือแมงวันตัวหนึ่งผ่านมาจะได้เห็นไม่ใช่ว่าโต๊ะนี้มันลบไปด้วยแมงวันมกแมงปองอะไรตกไปอย่างก็ไม่เห็นแล้วชีวิตมันสับสนไปหมดเลยเราเลยทําสมมตาช่วยอย่างนี้เพื่อเพื่อปรับพื้นฐานจิตให้มันปกติขึ้นมาหน่อยนึงก่อน ไม่ต้องมากถึงได้ใช้คณิกะสมาธิก็พอเป็นบาทฐานที่ปัิศนาคือพอสงบเข้ามานิดหนึ่งเรามาสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งปนเพื่อนมาปรับนิดนึ่งแป๊บเห็นทันทีเห็นไหมเห็นได้ว่าสมัทธเป็นบาดฐานที่ปัิศนาเพียงใช้แค่คันนิกะสมาธิก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าดีกันนั้นหน่อยพวกอุปจาระแปลว่าอะไรอุปจาระสมาธิหมายถึงสมาธิที่มันป้วนเปื้ยนวมเวยอยู่กับจิตใจอย่างเราพอเรานั่งอยู่สงบสงบอย่างนี้เราไม่ค่อยส่งออกอย่างนี้มันจะเห็นแต่กายขังมันกับจิตใจอย่างนี้โย่เห็นไหม ยิ่งสงบลึกขึ้นอะไรป้วนเปีเ้ยนโผล่มาจะเห็นชัดมากขึ้นเลยถ้าเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะไม่ไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปคือเห็นความเกิดดับทั่นเองมองมุมนี้นะไม่ใช่มองที่เนื้อเรื่องแต่เห็นลักษณะเหนืออ่อยเอาไหมผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิปทาธรรมเหมือนกันตรงที่คิดแต่ต่างตรงที่ว่าอีกคนนึงจมกับเนื้อเรื่องอีกคนหนึ่งเห็นลักษณะพอเห็นลักษณะใจก็เป็นกลางทันทีเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนในเมื่อมันไม่ใช่เราสัญญาอยู่ตรงนี้กับสัญญาตรงนั้นไม่ใช่ของใครตรงทั้งใกล้้้ททัังงกลอดีต ที่ดับไปเป็นของใครไหมในวัยเด็กก็ไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นจากความจําเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมย้ายสิ่งแวดล้อมก็เกิดสัญญาตัวใหม่ไม่เชื่อลองย้ายไปแถวขั้วโลกเหนือดูนะหรือจะกลับมาเล่าเขาเล่าเรื่องคร้วโหลวงพ่อฟังพ่อไปบันทึกข้อมูลมาใช่ไหมมีสัญญาแล้วก็เลยมีความคิดแล้วก็กลายเป็นวัจจีสังขารปรุงเป็นเนื้อเรื่องมาเล่าให้ฟังจริงไหมมีตัวตนอยู่ก่อนไหมนอกจากเหตุนี้มีผลนี้ถึงจะมีใช่ไหมถ้าย้ายตัวนี้ไปที่阿拉สกา ไปที่โั้วโกเหนือก็ดีอย่างนี้เป็นต้นมันถึงไปจําข้อมูลแบบนั้นมาหรือเกิดย้ายไปอเมริกาไปใกล้ชิดกับครอบครัวประธานาธิบดีนี่เป็นต้นจะมีเรื่องราวมาเล่าเยอะไหมใช้สัญญาไหมไม่ใช่เลาใช่ไหมเป็นแค่สัญญาขันเพราะมันมีเครื่องมือไหมเครื่องมือที่เรียก็รูปมาขันคืออะไรอันนี้อายตนะต่างๆที่ประกอบเป็นรูปขึ้นมาไงมีหูมีเครื่องบันทึกเสียงมีตาเนี่ยมีเครื่องบันทึกภาพมีเครื่องปั่นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยอะไร เดี๋ยวเติมน้าไปสร like no ้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าภายในเดยวน้อเห็นไหมร่างกายเนี่มันดีนะโยมมันสามารถเอาน้ำเนี่ยไปสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าหายใจเข้าไปไปสร้างพลังงานกลังอันลมเหมือนที่ปามสปริงเห็นไหมหายใจเข้าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกแล้วมีแสงที่เก็บผ่านเอาผนังเซลล์เซลไว้ทั้งวันอย่างนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วมีพื้นแผ่นดินนง ที่เคลื่อนไหวเหมือนพวกพลังงานดินเหนียวได้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าได้นะเห็นไหมมันเลยมีเครื่องชใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาแล้วก็มีเครื่องมือเหมือนโนต้ตบุ๊กเล่มหนึ่งบันทึกเก็บข้อมูลไปแล้วก็ดึงข้อมูลมาเป็นโปรแกรมเอามาคิดไม่ได้มีตัวตอนอะไร น, นี่เป็นการเห็นขันท่าที่เป็นไตรักอันนี้เรียกว่าปฏิสังขารยานนะต่อด้วยอะไรหลังจากเห็นขันท่าเป็นไตรักต่อด้วยสังขารรูปเปขายานเห็นไหมคำว่ายาานแปลว่าปัญญานี่เราดูแบบนี้นะแต่ต้นทางมันเห็นจากไอ้ความเกิดดับมาก่อน เห็นความเกิดดับแล้วเราเห็นลักษณะขององค์ประกอบที่ทำให้สิ่งจริงนั้นมีความเกิดดับคือรูสารนั่นเป็นขันห้าคือสัญญาท่านเองที่เกิดและวก็ดับไปความคิดเองที่เกิดและวก็ดับไปความรู้สึกนั่นเองที่เกิดและวก็ดับไปใช่ไหมอย่างลิงกระทบรถอย่างนี้เกิดแล้วก็หายนั่งอยู่ไม่เมื่อยเดี๋ยวเมื่อยก็หายไปเป็นของเราไม่ไม่ใช่รถจะเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นถ้ามองแบบนี้มันจะละสัญญาวิวปราชแล้ก็ละสักยทิฏฐิลงได้แต่ถ้า ม, ามองมุมนี้มันจะละสักยตทิฏฐิไม่ได้ มันไปมองสเปสะสปะอยู่หรือจับทิศทางไม่ถูกแล้วก็ย้ายที่ปฏิบัติย้ายวิธีไปไเรื่อยๆอย่างนี้แต่ถ้าจับต้นทาตงตัวนี้ได้มันอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วบอกวันนี้เนือ ง, เ, องเห็นไหมเป็นการเห็นเดืองในมุมนี้เห็นขันหน้าเป็นไตรักใจจะเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางบ่อยๆความทุกข์เข้ามาไม่ได้อกุศลเข้ามาไม่ได้ลองสเก็ตภาพคร่าวๆซิว่าชีวิตแบบนั้นจะเป็นอย่างไรหรือคนที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรเออดูแล้วน่าจะมีความสุขนะก็ได้เมื่อใจเป็นกลางไม่ไม่โอนเอียงไปในข้างโทสะ ไม่อดเอียงไปในข้างตันหาเนี่มันก็น่าจะมีความสุขสิใช่ไหมเพราะใจมันเป็นกลางเห็นไหมครูบาอาจารย์ว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหรือครูโพเทศบอกผู้ใดพบใจใจคือความเป็นกลางาศาสนาพุทธจบตรงนี้เพราะมันเป็นกลางด้วยปัญญานะไม่ใช่เป็นกลางเพราะสร้างขึ้นมานะก็คิดว่ามันมาแล้วจะต้องจากไปทําไมจะต้องไปยุ่งกับมันด้วยเห็นไหมปัญญามาสรุปตรงนี้เลยนะและสิ่นั้นก็ไม่ทนอยู่กับที่แต่ถ้าแตะเมื่อไหร่แตะไม่เป็นนะเจ็บตัวทันที เร่องไหมอย่างเช่นแตะมาด้วยความไม่ชอบจะเกิดความขุนมัวเมื่อความขุนมัวเกิดขึ้นในใจไม่ชอบแล้วก็จะหาทางแก้ไขนึกว่าข้างนอกเป็นต้นเหตุก็ลงมือก่อพฤติกรรมอย่างเช่นไปพูดไม่ดีเห็นไหมเรียกว่าก่อกรรำก่อกรำและอะไรตามมาวิบากวิบากคือความตระหนักสูงสิ่งที่ทำลงไปหรือว่าชาตินั่นเองตัวเดียวกันนะ ก, กรร่อกำเรียกว่ากรรมมาพบพบเป็นปจัจจัยให้เกิดชาติชาติคือความตระหนักสังสิ่งที่ทำลงไปอย่างเช่นมันคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ น, นนะอย่างเช่นมันคิดไม่ดีเสร็จบอกพูดไม่ดีเลยเห็นไหม คิดไปดีอีกเรียกว่ากิเลสวัดเนี่ยไม่มีอยู่ก่อนกิเลสคือความชอบหรือความชังไม่ได้มีมาก่อนมันแค่เป็นความจําจะเราแบบไม่ชอบมันหรือว่าชอบมันแล้วก็ลงมือก่อพฤติกรรมอย่างนี้ก่อพฤติกรรมเรียกว่ากรรมวัดแล้วมีผลตามมาเป็นวิบากวัดอันนี้เป็นความลับของสังสารวัตรมีสตัวเห็นไหมตัวแรกเรียกว่ากิเลสวัดถ้าตัวนี้ทํางานแล้วไม่เอามันก็ดับคือเห็นแล้วไม่เอาที่มันไม่ชอบไม่เอาไม่เอาก็ทําทงานต่อไม่ได้แต่บอกว่าชอบด่าเลยทําตามไปก่อกรรำเห็นไหมก่อกรรำ กอกรรมใส่ไปพูดไปดีเกิดวิบากต้องมาเสียใจภายหลังว่าเราไม่น่าพูดไปดีเลยเห็นไหมใจใจก็ต้องมาขุดมัวเศร้าหมองไม่มีความสง่างามเห็นไหมขับแค้นถูกคุมขังอยู่ในพฤติกรรมของตัวเองส่วนใหญ่เห็นไหมทาร้ายเขาแต่ตัวเองกลับ ต, ต้องมาเรียแผลหัวใจตัวเองมันบอบช้าอยู่ข้างในจากความเศร้าหมองที่ก่อพฤติกรรมของอารมณ์เรียกว่ากรรมมพบไงมีเจตนาไม่ดีพที่หัวใจมันก็ร้อนลุ่มรอนลุ่มเสร็จก็ตระหนักถึงความร้อนลุ่มมั น, นั้นชาติหรือว่าตัวตนจริงไม่ได้มีมาก่อน แล้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนจริงๆด้วยเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยจากความไม่รู้เห็นไหมถ้าเห็นแบบนี้นี่พบชาติมันทํางานอย่างนี้นี่เองแล้ไม่ได้มีสแกนสารจริจะเห็นเป็นของน่ากลัว ม, มีชื่อภาษาที่ต่อจากวิพัฒนญาตัินี้นเะรียกว่าพยยญาณเห็นความเป็นภัยเห็นความเป็นโทษเห็นความเป็นของน่ากลัวทิวาาัญญาณแล้วมันเลยเบื่อหน่ายนิ่พิชายาณไม่ได้เบื่อหน่ายต่อการทํางานนะไม่ได้เบื่อหน่ายต่อการอยู่ในโลกไม่ได้เบื่อหน่ายรถติดไม่ได้เบื่อหน่ายลมหนาว แต่เบื่อนายโลกของความปรุงแต่งที่ไม่มีแก่นสารถ้าหากไปแต้มันจะเจ็บตัวพอมันเกิดขึ้นเลยไม่เอาไงเห็นไหมหาทางออกหาทางออกจากความคิดปรุงแต่งแต่ ก, ก่อนเราจะหาทางเอาเรื่องใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเรื่องสัหน่อยไม่เอาดีกว่าออกมาเลยออกจากความคิดใช่ไหมออกมาเป็นผู้ดูดูมันก็ดับสิแต่ถ้าเอาเรื่องก็คือไปก่อกรรมแล้ววิบากตามมาอันนี้มันเริ่มจําสภาวะที่ถูกต้องได้แล้วอ๋อสภาวะทั้งหมดมันมีแล้วครับมันมีมันไม่มีแล้วก็มีมันมีแล้วก็หายไปแต่ถ้าเข้าไปแต้ จะมีโทษมีภัยตามมาอ๋ออย่างนี้เองที่ได้คุปัศนาญาณเรเห็นภาพไหมปรัชนาญาณ9ตัวตัวที่1เห็นความเกิดดับตัวที่2เห็นความสลายไปตัวที่สมเห็นความเป็นภัยแลียกว่าพยาญาณเห็นความเป็นโทษที่เข้าไปก่อกรรมอาทีวนาานันณญาณเห็นไหมเห็นแล้วหน้าเบื่อหน่ายไรการสารทุกเรื่องมาแล้วก็ไปไปก่อกรรมกับมันก็ต้องเจ็บตัวทุกทีแล้ววันๆจะเอาอย่างนี้เหรอทุกๆวันต้องทําอย่างนี้ซ้ำซากอย่างนี้เราไม่เอาดีกว่าออกไม่ใช่ออกจากงานนะ ออกจากโลกของความปรุงแต่งเรเห็นปั๊บไม่เอามันก็ไม่ก่อเรื่องซียมรักษาใจสติเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นผู้อารักขาจิตผลของมันคือจิตมันปกติอยู่ก่อนไงนี่พอมันมียามเนี่ยมีเบอดีกาดตัวนี้ขึ้นมาใครมีบอดีกาดดูแลงหัวใจหรื อ, อยังโยมมีไหมไม่ต้องไปจ้างเหมือนดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะเรามีบอดีกาดเป็นตัวสติทําหน้าที่อารักขาจิตเพราะอะไรเพราะมารู้จักว่าถ้าไอ้ตัวนี้เข้ามาจิตใจจะไม่ปกติ ไม่ให้เข้ามาเดี๋ยวปฏิกิริยาทำหน้าที่ฉันรู้จักแก่ได้ไหมจําสภาวะแล้วเจ้าตัวนี้เข้ามาใจจะไม่ปกติอย่างเช่นคิดเรื่องไม่ดีใจจะเศร้าหมองไปคิดมันทําอะไรเคยเจ็บตัวซ้ําแล้วซ้ําแล้วถ้าคิดมาดีแล้วไปพูดตามยิ่งเศร้าหมองนานเก่าๆไม่คุ้มค่ากันเลยทําร้ายตัวเองไม่ที่มีใครทําร้ายเห็นไหมไม่มีไม่มีคนทําร้ายเราจากภายนอกแต่ความไม่รู้ปุ่มแต่งและก็กอ่อพฤติกรรมและทําร้ายตัวเอง ใจิตใจเริ่มฉลาดขึ้นสติมาทำหน้าที่อารักขาเพราะมันรู้จักให้สภาวะที่หลากหลายแบบนี้ดีนั่นเองว่าสิ่งนี้ให้ผลเป็นตัวอะไรขึ้นมาไม่เอาแล้วก็จําได้ว่าทุกตัวล้วนแต่ไม่มีมาก่อนแล้วก็มีเข้ามามีแล้วก็ต้องจากไปทุกตัวไหมเหมือนรถขยะผ่านหน้าห้องหัวใจเราควรจะลากมันมาเก็บไปใหนหัวใจไหมหรือควรปล่อยให้มันผ่านไปด้วยการดูได้ใจปิงปลาเสียงไม่ดีภายนอกมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปควรลากมันไว้ใ้องหัวใจไหมหรือควรปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ไปแต้มัน ไม่ไปวิ่งไล่ตามมันไม่เป็นรากมาเก็บเอาไปด้วยดูได้ใจเป็นกลางมันก็ผ่านไปไหมห้องหัวใจเราก็ปกติสภาพปกติก็เป็นอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ถูกทําขึ้นมานะมันปกติอยู่ก่อนแล้วแต่ไอ้ความไม่ปกติที่ถูกทําขึ้นมาความเศร้าหมองความไม่ชอบเกิดจากความไม่รู้เห็นไหมถ้ามันรู้เห็นความเป็นจริงคเคยจําลักษณะความเป็นจริงได้ทํางานวิจัยมาช่วงขนาดหนึ่งแล้วจากการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมคือการเข้าไปสังเกตนะการเข้าไปสังเกต เก็บข้อมูลไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยนะเพราะพวกเราเนี่ยสังเกตมาแล้วเก็บข้อมูลไปแล้วเรามาหาข้อสรุปร่วมกันนั่นเองนะมาทํางานวิจัยร่วมกันต่นะางคนต่างก็พอจะมีข้อมูลนะจะได้อวิปัสนาเป็นอย่างนี้นเองไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับหรือว่าเป็นนั่งวิปัสนาที่วัดไม่ใช่เลยอยู่ตรงไหนก็ทําวิปัสนาได้พอเห็นภาพไหมเราจะเป็นชาวชาวพุทธนะที่ ฉล า, าดหรือมีปัญญาอย่างสง่างามจริงไม่ใช่ชาวพุทธที่งมงายหรือไม่เข้าใจแก่นสารขอ ง, ของคำสอนที่ถูกต้องอันนี้เลยเป็นต้นใจเป็นกลางแล้วจะเกิดอะไรรู้สึกมันมันปกติดีแล้วเวลาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่เอามันจะบองโลกได้ด้วยความเข้าใจว่าสภาพจิต ท, ทุกดวงหรือในคน ท, ทุกคนในทุกสรรพสัตว์เนี่ยมันมีความปกติอยู่ก่อนแล้วไอ้ความไม่ปกติมันมาทีหลังจากความไม่รู้และควรทำยังไง จากควาไม่รู้ที่เห็นงูไปกินเขียดควจะต้องฆ่างูเพื่อช่วยเขียดไหมเอาอย่างไงดีถ้าเดี๋ยวก็ไปเห็นเขียดมันกินแมงปอต่อเอ้าวฆ่าเขียดเพื่อช่วยแมงปอต่ออีกเอาเห็นแมงปอไปกินแมลงเล็กๆเอาต้องไปฆ่าแมงปอไปเรื่อยๆอย่างนี้เราไม่สิ้นสุดเลย ห, หรือรูธรรมชาติด้วยใจที่มีเมตตาต่อมันไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทำร้ายมันนะ มันต้องไปฆ่ามัต้องไปทำลายมันเดี๋ยวเช่อเห็นคนที่ไม่เข้าใจก่อพฤติกรรมอะไรหนึ่งถ้าใจที่มีปัญญาจริงมันจะเป็นกลางว่าอันนี้เป็นแค่พฤติกรรมอันหนึ่งจากความไม่รู้้ไม่ต้องไปตัดสินประหารชีวิตเขาก็ได้นะแต่สามารถรู้ใจมั้ยหรือสามารถถ้าจะมีปัญญาที่พอจะแบ่งปันมูลที่เราได้รับความแบ่งปันจากสติปัญญาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ชี้ทิศหนทางให้เราดูเหมือนที่พระชจ้าท่านทรงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีมีทุกสรรพสัตว์มีอยู่แล้ว ถึงท่านไม่จัตสรู้ก็มีเราจไปท่านจัตสรู้ท่านเข้าไปเห็นแล้วท่านชี้ให้เราดูแล้วให้เราดูตามเห็นไหมพอเราดูตามเราก็เห็นเหมือนกันอ๋ออย่างนี้เองที่นักปราชญ์หรือที่ผู้รู้เขาเห็นกันเป็นผู้รู้ขึ้นมารู้ความจริงเป็นผู้ตื่นขึ้นมาออกจากโลกของไอ้ความหลงในเนื้อหาของความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นชั่วข่าวจากโลกสมมติแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเป็นอิสระภาพไงจากจากไอ้วงวังวังเวียนของไอ้โลกสมม ต, ติต่างๆนี้ซึ่งเป็นมีตัวตนแกนสารอยู่จริงเลยกี่ครัง้งกี่ ค, า, คาแล้วล่ะท วงสมุดเนี่ยเกิดดับผ่านจอเวทีของชุดลราไปหลายคนที่เดินทางผ่านชุดมาช่วงหนึ่งประมาณอายุสี่สิบสองเนี่ยผ่านมาหลายยุคสมัยหลวงพ่อไปถามบางคนนะต้องสารเฉพาะคนกล้าหารเท่านั้นบางคนหงพ่อถามเราแย่แน่แต่ความลับจะต้องถูกเปิดเผย คนนี้ชอบรักษาความผิวเผินนดึงผิวผิวให้ดูตึงๆเอทาผิวให้ดูเป่งๆตึงๆ้ต้องไปผ่าซ่อนแก้วจะได้ตึงมากกว่านี้หนาวไม่ตึงเลยนะแตกด้วยขาได้เป็นงูเหลือมเลยเลยไม่กล้าไปเนี่ยฟังเรานะฟังอะไรรู้ไหมฟังว่าสิ่งนี้ไม่มีขึ้นมาในใจแล้วก็มีขึ้นมาพอหลวงพ่อพูดมันก็เกิดความคิดคล้อยตามสักพักหนึ่งก็หายไปแต่ถ้าหลวงพ่อ ถ้าพวกเราคุยต่อวนเวยียนกันเนื้อเรื่องพวกเราจะหลงเนื้อเรื่องนานแล้วก็สนุกสนานป้วนเปีนกันเนื้อเรื่องหรือพ่อตัดอย่างรวดเร็วให้หนังรืดดับแล้วดูมันเลยดูว่าไม่กี้เรื่องผาซ่อนแก้วไม่มีแล้วก็มีตอนนี้มีแล้วก็หายไปแล้วไหมทุกตัวก็เป็นแบบนี้นะทั้งวันดูได้ทั้งวันไม่มุมนี้ดูได้ทั้งวันเลยตัวที่ทํางานเรียกว่าอะไรขัน5้าเห็นไหมคือสัญญากับสังขารนี่ทางานอยู่เสมอเสมอถึงไอ้การดูจิตถึงดูง่ายคือสังขารรักขันนั่นเองคือมันมีเรื่องคิดทั้งวัน เพราะมันเก็บข้อมูลเป็นความจําเอาไว้เยอะไงแต่พี่มันจําวิปราต์เนี่ยเรียกว่าสัญญาวิปราตมันเลยจาคัดคานเคลื่อนๆพอเราคุยกันปั๊บมันก็เอาความเป็นตัวตนเข้าไปใส่ทันทีจริงๆทั้งหมดมันเป็นแค่สัญญาขันแล้วก็เป็นอนัตตาอย่างนี้ดูแบบนี้นะอนัตตาว่าไม่มีตัวตนอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ใช่เป็นของใครจริงๆจริงๆด้วยมันเป็นแค่บทสนทนาของสังขารละขันที่กระทบกันหรือขันห้าที่กระทบกันแต่ขันห้าทั้งสองสิ่งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่ในนั้น พอเห็นภาพไหมแต่ความไม่รู้ทัางหา ท, ที่ว่าอุปาทานขันห้ามาเลยไปเกาะสมุไทยซอสไปอีกตัวหนึ่งอีกคือก่ะไอ้ตันหาไงเนี่ยเข้าไปเป็นหลงตามความคิดแล้วก็เกาะความอยากอยากอยากไปตามพฤติกรรมที่ขันห้าอีตัวหนึ่งก็มาทบเช่นเช่นหูกระทบเสียงไม่ชอบอยากจะตอบโต้เห็นไหมอยากจะจัดการมีมาณนะว่าเราเก่งกว่าเขาต่ําต้อยกว่ามีทิฏฐิว่าเราว่าเราถูกเข้าผิดมีตันหาอยากทําร้ายอยากให้เขารู้สึกบอกช้าต่ําต้อยลงแล้วก็ อ, อกก่อพฤติกรรมเอาไปฟาดฝันอุปทานอุปทานถึงก่อพฤติกรรมเรียกว่าตันหาอุปทานพบชาติอย่างนี้เป็นต้นเลยไหมมันถักทออย่างรวดเร็วเลยในกระบวนการของนามธรรมแต่กําลังก่อพวกเราไม่เห็นนามธรรมมันละเอียดอ่อนยมเห็นภาพไหมว่ามันละเอียดแล้วเกิดขึ้นอย่างว่องไวร ว, วดเร็วมากเลยแต่พระเจ้าท่านมีปัญญาที่มองเห็นสังเกตเห็นไม่ใช่การสังเกตเหมือนกันแต่การสังเกตของท่านมีเครื่องมือที่ดีคือสัมมาสมาธิตั้งมั่นในการสังเกตเลยสามารถเอา้นามธรรมที่ เบาบางและรวดเร็วฉับพันเนี่ยเอามาวางเป็นโพมอะไรดอกไม้แห่งปัญญาให้เราดูว่าไอ้นมามธรรมตัวมันถักทอที่กันอย่างไรแต่ถ้ามองเป็นมราจะเห็นความก้อนงามของกระบวนการธรรมชาตินะั้นด้วยใจที่เป็นกลางอ๋อนี่เองคือกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นนมามธรรมที่มันถอกทอซึ่งไม่ได้มีตัวตนอะไรพอเห็นภาพไหมงั้นพวกเราค่อยๆตามดูอย่างนี้นะตามดูลักษณะการทำ ง, งานของธรรมชาติภายในไปเห็นลักษณะของความเกิดดับเห็นว่าฟ้าวสะอาดที่สลายไปน่ากลัวตอนที่เข้าไปแตะมันมีโทษตามมาเห็นไหม หน้าเบื่อหน่ายโรคของความปรุงแต่งไม่ใช่โลกข้างนอกหน้าเบื่อนะหาทางออกออกจากความหลงคิดออกแล้วทำยังไงเห็นมันเป็นแค่ขันห้าทำงานได้ก็ปฏิสังขายารเห็นแล้วใจเป็นกลางได้ก็สังขารเรเปรีายญารที่ตัวที่8ปดแล้วนะตัวที่9พออะไรเกิดขึ้นเช่นคนคนหนึงอะเราวางใจเป็นกลางแล้วเอาละเข้าใจละที่หลวงพ่อพูดมีแต่ขันห้าอันนี้ก็แค่สัญญาข้างนอ ก, กแค่สัญญาอันนี้สังขารอ น, นุก็สังขารไม่มีใคร พอสังขารที่อันนึงปรุงแต่งพูดไปดีเข้ามาเห็นไหมโยมจะทํำยังไงเอายังไงดีห้ามก็ได้ไหมห้ามไม่ได้ไหลตามเจ็บตัวเอายังไงดีเดี๋ยวเขาก็ต้องหยุดพูดเดี๋ยวก็ต้องดับไปรักษาใจมีสติมีสติรักษาจิตที่จะไม่เอาความไม่ชอบเอาไว้ในใจความชอบเกิดขึ้นไม่เอาไม่ก่อกรรมไม่ทําตามคอยตามกฎของสัจจะว่าห้ามเขาไม่ได้เดี๋ยวต้องดับไปเห็นไหมพอผ่านไปถ้าให้ทําจะไม่มีผลตกค้างในใจ แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันจะกระโจนออกไปกระโจนออกไปไปก่อสังขารกับสังขารกระทบกันจากอวิชาปัญญาสังขารากระแสนหนึ่งสร้างอวิชาปัญญาสังขาราอีกกระแสหนึ่งเข้าไปกระแทกกระทันกันอย่างนี้วัตฏะมันเลยทำงานสร้างระบบนิเวศขึ้นมาในธรรมชาติเลยเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นความหลงเกิดเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรฉานคือโมหะครอบงําเกิดความโรบหรือเกิดความทําร้าย เรียวามนุษย์อสุรกายอะไรต่างๆนี้เป็นต้นพวกนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนใช่ไมโยมมันเลยสร้างกระบวนการที่เป็นพลังงานเรียะที่ซับซ้อนแปลกประหลาดขึ้นในพวงโอ ว, วัตตะในพวงจักรวาลแห่งนี้ซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนแต่ถ้าเห็นแผนที่แบบนี้อ๋อมันทํางานอย่างนี้ได้เองมันจะหายสงสัยแล้วมันจะเรียกขนทางเป็นว่ามันควรจะมองมุมไหนควรจะเดินทางไหนอันนี้เขาเรียกว่ามัคขามัคคะยานทัศนวิสุทธ์ใช่ไหมมีปัญญายาณว่าจะมองมันมุมไหนดีมองมุมนี้ที่ว่ามันไม่ได้มีตัวตน มันไม่มีแล้วก็มีมันมีแล้วก็หายไปถ้าไปยุ่งแล้วก็เจ็บตัวจะต้องเกิเกดปรางงานปริยาแบบหนึ่งเป็นความร้อนรุ่มบ้างเป็นความสะดุ้งหวาดกลัวบ้างเป็นความโรค บ, บ้างเขาขเรียกชื่อสภาวะธรรมอย่างนี้ตามลักษณะของสภาวะธรรมอย่างนั้นอย่างเช่นมีความร้อนรุ่มอยากแก้ได้กวนกระวายกระสับ ก, กรส่ายอย่างนี้เรียกว่าเปรตหรือมรุษสเปโตจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจมันสามารถเข้าใจได้ในปัญญาแต่ถ้ามีความรู้สึกหรือสังเกตข้างในเป็นนะ มันจะหายสงสัยอันนี้เขาเรียกว่าโคลจรสัมปชัญญะนะมันโคลจรอยู่ที่จิตใจแล้วเห็นภพชาติมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเห็นภพชาติตรง น, นี้แล้วเข้าใจภพชาติข้างนอกมันก็เข้าใจมันจะอยู่อย่างไม่สะดุ้งหวาดกลัวหรืออย่า ง, างไร้ยิ่งสาต่อปรากฏการต่างๆแต่มันมองแผนที่ของวัฏฏะอย่างแจม่มแจ้งเหมือนการอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่มีอะไรปิดบังเลยอย่างนี้จากความเข้าใจข้างในเห็นไหมนี่คือปัญญานะนี่คือปัญญาแต่ระดับหนึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เรา รอดพน้นที่จะไม่ไปก่อไอ้กรรมชั่วให้จิตใจเศร้าหมองเพราะมาเริ่มฉล า, าดไงมาเห็นแผนที่ว่าเหมือนเรามองจากกรุงเทพลงมาเนี่ยมองทอปิวลงมาไอ้ซอยนี้เข้าไปแล้วจะไปเจอคนเกเรจะต้องเศร้าหมองจะต้องพยายารักันคนเข้าไหมไม่เข้าคือพฤติกรรมในใจทนเองเรามองมาเราเห็นเข้าใจมาแล้วถ้าไปเลี้ยวไปทางนี้ปั๊บจำได้มันจะเกิดความเศร้าหมองตามมาไม่เอาถ้าไปซอยนี้ปั๊บจะโกรธความโกรธตามมาไม่เอา ไปซอนนี้ปั๊บจะจะมีเกิดความทุกข์ไม่เอาจิตมันจาสภาวะได้สติมันเกิดเข้าม า, ารักษาจิตยอย่างนี้โดยอัตโนมัติเห็นไหมที่มันเห็นแผนที่วัตถะแล้วจะหายสงสัยด้วยนะไม่ต้องไปเถียงกับใครหรอกแต่มันจะแจ่มชัดขึ้นมาเป็นผู้มีปัญญาขึ้นมาคุ้มค่ากับการได้เกิดมาไม่ต้องเกิดมาแล้วก็ถอยหลังไปกับเก่าแล้วก็ไปสับสนวนเวียนพนวดเปี่ยนอยู่กับสภาวะธรรมที่ไม่เข้าใจแล้วกลายเป็นสิ่งที่เศร้าหมองบอบช้าเจ็บปวดอันนี้คือปัญญาในศาสน า, าพุทธนะเรียกว่าวิปัสสนาญาณเก้า เราปฏิบัติกันมาเราดูซิว่าเราคือที่ปัฒนายานหรื อ, อยังที่เราตามดูเราตามดูเรื่องอะไรในส่วนจะเข้าใจว่าเวลาเราฟังคนส่งการบ้านอย่างนี้นะอะครูบาอาจารย์ส่งการบ้านกันไปหลากหลายพันๆล้านๆสภาว่าอ๋อทุกตัวมันไม่มีแล้วก็มีมันมีแล้วก็หายไปแค่นั้นเองอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะไม่เข้าไปคลุกคลีกับเนื้อเรื่องอย่างนี้นะเราจะใช้เวลาแห่งการในรูปที่ผ่านมาอย่างงอกงามอย่างถุกวิธีให้เป็นของขวัญปีใหม่กับตัวเอง ให้ตัวเองได้นะด้วยการเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องการก้าวเดินต่อไปในแต่ละก้าวของชีวิตในปีนี้จะก้าวย่างอย่างแม่นยําขึ้นก้าวย่างแม่นยําคืออะไรเหรอคือการมองชีวิตเป็นมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมองมุมไหนมองมุมที่ขันห้าเป็นไตรักทำไมถึงขันห้าถึงเป็นไตรักเห็นไหมว่าการรับรู้วิญ ญ, ญาณเนี่ยที่รับรู้ทางตาครดีทางหูกรดีเนี่ยมันถูกโจมตีถูกโอบกอดอยู่ด้วยโอบรอบด้วยไตยรักคืออะไรคือความผันผวนไม่แน่นอนรอบตัวทั้งหมด มีใครคาดคิดไหมออกไปข้างนอกรถจะไม่ติดแต่รถจะติดหรือฝนจะตกหรือจะเจอคนดีและคนไม่ดีหรือสุนัขจะเห่าหรือไม่เห่าเห็นไหมมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาทิ้งห้ามไม่ได้เห็นไหมมีแต่สติอรักขาจิตและมีใจเป็นกลางจําได้ว่าทุกตัวไม่มีมาก่อนเดี๋ยวมีแล้วก็ต้องจากไปแน่นอนอย่างนี้เห็นไหมโยมนี่ขันห้ามมันต้องเข้าไปเชิดเพราะมันมีร่างกายเข้าไปแล้วมีอายตนะแล้วต้องรับรู้เสร็จแล้วต้องบันทึกข้อมูลใหม่ๆม่ไหทุกๆวัน เดี๋ยวพี่ที่ทำงานพวกนี้ก็เจอเรื่องราวใหม่ๆมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆไหมสัญญาต้องทํางานห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เห็นไหมขันห้ามอยู่กับต่ลักตลอดเวลาเป็นของใครไม่เป็นของใครร่างกาย54อาศัยลมหายใจที่ไหลผ่านไปมาไม่มีของใครเป็นของโลกไหมอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วถึงเราจากไปต้นไม้ยังจงร่ง ก, กิ่งชูยอดเข้าไปหาแสงอาทิตย์ไหมเหมือนเดิมยังอย่างร า, ากเข้าไปหาสายน้ํำไหมเหมือนเดิมือ หรือต้นมะข้าเมาแกงลิงยังคงปิดเปิดรอความหอมหวานจากมาแมลงวันที่จะผ่านมาไหมต้องทำอะไรกับมันดีหรือมองไปในพวกมหาสนพนะพวกมหาสมุทรปลาใหญ่ยังไหว่ไล่กินปลาเล็กปลาเล็กยังกินแพงต้อนอยู่เหมือนเดิมขจนไปเกิดในนั้นเอาไหมเป็นปลาหมึกยักษ์เป็นปีเสื้อนังสือเผื่อชาติหน้าจะได้เป็นปีเสื้อสมุทร ต, ต่อ <c oughs> มันเห็นความเป็นของน่ากลัวและเห็นความเป็นของไร้แก่นสารว่าไม่มีใครได้อะไรจริงๆอย่างจังนะในพวกมหาหนพปนั้นเห็นไหมเพราะมันมองเข้ามาเหนือท็อปวิวไม่ว่าปลาหมึกยักษ์มนจะแอบกินปูเศษฉวนหรือจะสร้างกับดักอำพรางตัวสักแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครได้ใครมีใครยิ่งใหญ่เป็นเจ้ามหาสมุทรจริงไม่เคยมีใครได้ไปอะไรจริงจังมันแค่โลกของความไม่รู้เท่านั้นคืออวิชชาที่แฝงอยู่ในธาตสีจริงว่ า, จ, าจริงๆแล้นจริงนั้นมีใครสูญเสียจริงหรือเปล่าเวลาปล า, าใหญ่กินปลาเลย ไม่มีใครได้ไม่มีใครสูญเสียจริงจังเห็นไหมเพราะมันไดมีสัตว์ตัวตนบุกคันลุกเราเขาจริงจังไงมันเป็นแค่แค่ขันห้าสองงานมากระทบกันแลกเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งไหลไปสู่อีกธาตุหนึ่งเท่านั้นเองอย่างนี้มันเป็นแค่กิริยาของธรรมชาติกิยุทธของธาตุเหมือนใบไม้ไหวเหมือนระลอกขึ้นมีถุกมีผิดไหมระลอกขึ้นสุนตมิตรผิดไหมฆ่าคนตายไปหลายคนช่วยจับมาขังใส่ไว้ที่สยามพารากอนหน่อยสิจะได้ไปดูอ๋อตัวนี้นี่เองที่มันฆ่าคนตายไปเยอะ เขาจะให้ตู้ปลาไว้ใส่น้ําสิสุนมิได้ไหมหลวงพ่อทำให้ดูนะว่าถ้าใจไม่เข้าใจทั้งหมดไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นเพียงกิริยาของธรรมชาติที่มันไหลผ่านกันไปมามนุษย์เท่านั้นเข้าไปสมมติไปปรุงแต่งสร้างหรือความไม่รู้ ใ, ให่เล็กมนุษย์ละกันลเล็กความไม่รู้และกันที่แฝงอยู่แฝงอยู่ในความว่านั่นเองเลยเกิดเกิดการกักตุนเก็บเกี่ยวหยอดกระปุกความสินแห่งความเศร้าหมองเอาไว้ในช่องว่างที่ไม่ได้มีตัวนตวนจริงจังจากการเข้าไปก่อพฤติกรรมไง ก่อพฤกรรมจากสมุทรไทยจากความไม่รู้ไงในสกเก็ตภาพรวมๆนะสกเก็ตภาพเราจะได้มองขึ้นมาอยู่เหนืออ้วงมาหันนกเหมือนมองอยู่เหนือมาหาสมุทรและเห็นปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็กจะให้เราไปเกิดเป็นปลาใหญ่กว่านั้นเอาไหมไม่เอาเป็นผีเสื้อสมุทรเลยเอาไหมไม่เอามีใครพยายามเป็นไหมเดี๋ยวขอดูรูปล่างก่อนถ้าใครพยายามก็หลูงพ่อขอวิงวอร์นนะขอให้ท้อแท้ซะนะอย่าพยายามเลยความฝันอันนี้เลิกลาซะเถอะ พอเข้าใจกันไหมว่าที่ทําสมถะกันล่ะไม่ได้ห้ามทํานะทํำได้จําเป็นเพราะสมถะเป็นบาดฐานเพื่อจิตสงบจะได้เห็นสิ่งที่มันไม่เคยมีแล้วมีขึ้นนั่นเองหาข้อสรุปให้เจอนะว่าทําสมถะไปเพื่ออะไรแต่ถ้าไปเพ่งอยู่ล่ะมันก็ไม่เห็นแบบนี้เสีเนอะไหมอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อบอกทําสมถะนั่นถ้าเกิดว่าเราได้แต่นั่งเพ่งลมหายใจแล้วไม่ยอมหยุดเราไม่ปล่อยเราไม่ยอมดูเราจะเห็นสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ พรเราไปบังคับมันอยู่อย่างนี้ต่อเวลาแล้วไม่สนใจสิ่งเลยพยายามจะบังคับมันอย่างเดียวมีความจงใจผลเปื้อนเข้าไปในความว่างก็ไปรู้ว่ามีความจงใจปนเปื้อนเข้าไปแต่ถ้ารู้มีความจงใจปนเปื้อนเข้าไปด้วยความพยายามเพ่งพยายามประคองตามคำกำหนดรู้ปั๊บความจงใจจะหายพอความจงใจหายมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยหรือตอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยพวกที่ทำสมถะเก่งๆเวลาถอยออกจากฌานเนี่ย่ะสงบมากๆแล้ว พักถอยออกปั๊บความสงบค่อยๆเปลี่ยนแปลงจางคายให้ความคิดที่ไม่เคยมีเริ่มซึมซ่านกันมาสังเกตตอนนี้เลยเป็นนาทีทองถ้าเพื่อเห็นอะไรเห็นอะไรล่ะเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วไม่ได้สั่งให้มีก็มีไม่ได้สั่งให้เกิดก็เกิดไม่ได้สั่งให้จําก็จําไม่ได้สั่งให้คิดก็คิดแสดงว่าบังคับมันไม่ได้มันทํางานเองเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเป็นนาทีทองเพื่อจะเห็นความเห็นความจริงนั่นเองถึงบอกว่าอัตชีกต้องอาศัยนาทีทองอย่างนี้ไม่ใช่่สมถอยาาทํน ทำเพื่อจะรู้ธราทไปเพื่ออะไรนี่ก็เรียกว่ารู้สึกตัวทำไปเพื่ออะไรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างไรได้ผลอย่างไรความรู้สึกตัวนี้ก็มีอยู่4อย่างนะรู้สึกตัวนี้อันแในที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวถึงประโยชน์ในสิ่งที่กาลังทําอยู่ทําเพราะอะไรกําลังทําอะไรอยู่อย่างทำสมมติไม่ได้ห้ามทําได้จะรู้รู้ถึงเป้าหมายทําเพื่อพอเป็นบาดฐานนิดหน่อยเป็นงานทั้งวันที่เราอยู่ที่ทํางานเนี่ยเราถูกต่อยด้วยผัสสะเต็มไปหมดเลยอย่างที่ไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็โน่นเนี่ยโลกสมมติเป็นบทละมึน พอกลับไปนี่มันฟุ้งซ่านไอ้โรคส ม, มุติเนี่ยมันฟูขึ้นไม่สามารถจะมาร้อยเด้งให้เป็นระเบียบได้เลยพัดกระจายกระจายเราเลยเปลี่ยนเป็นสมถานิดหน่อยเข้ามาช่วยนะเพื่อเปลี่ยนไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยให้มาเป็นความสงบอย่างเช่นมันฟุ้งซ่านแบเข้าอยังงุ้นเข้ายังงี้เราพอเร า, าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่พูดคําอื่นไม่ได้สิพอพุทโทสักพักหนึ่งคำอื่นมาเริ่มจางคายไปพายุแห่ไงไอ้ความฟุ้งซ่ามาเริ่มสงบลงอย่างนี้เรารู้แล้วอ๋อความสงบเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องพุทโธก็ได้พอไม่เนอง อ๋อคำผมธรมถาเป็นบาดฐานวิปัสนาตรงนี้นี่เองอย่างนี้เห็นไหมเราก็ใช้นาะทีทองใช้จังหวะแต่และอย่างให้ให้เป็นประโยชน์อย่างถูกวิธีนะใช้ถูกวิธีนั่นเองสมถะก็ใช้อย่างถูกวิธีวิปสัสสนาก็ดูอย่างถูกวิธีมองมุมนี้นะมองให้เข้าใจนะจะได้จะได้จับเรื่องของการปฏิบัติได้อย่างแม่นยำไดนะ้ได้ก้าวเดินไปอย่างสง่า ง, งามในทางปัญญาในทางปัญญามีใครสงสัยอะไรไหมว่าอย่างไร ปกติทำแต่สมาถานมาก่อนนะคะแล้วก็ถึงเวลาตัวตนนี้หายไปเลยหายไปแบบชนิดที่ว่าไม่รู้ตัวเลยะค่ะแล้วก็อยู่ๆก็ถอนกลับเข้ามาได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเลื่อนไปเป็นวิปัสสนาไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงคะตอนที่มันหายเนี่ยใกล้รู้เท่าทันว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งถาวรเลยเหรอ มืกี้หลวงพ่ใช้คําว่ามัคคามัคะอย่างทัศนวิสุทธ์ตัวนี้มันจะไปแก้ตัววิปัสสุกิเลสด้วยวิปัสสุกิเลสไปว่าความหลงผิดในความเข้าใจผิดบางทีความสงบก็ดีปิติ ด, ด้วยนะสุขด้วยนะสติด้วยนะโยมอุเบกขาด้วยแสงสว่างด้วยทั้งหมดแล้วเนี้ยถ้ามองไม่เปลนจะเป็นวัตถวิปัสสุกิเลสเป็นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าสามตัวเนี่ยเข้าไปแทรกสามตัวคืออะไรอย่างเช่นความสงบเกิดขึ้นไปมีมานะ ว่าเราได้รับความสงบมีมา n a ว่ามีเราขึ้นมาเห็นไหมสาตัวนี้คือมานะตันหาทิฏฐินั่นเองที่เข้าไปปนเปื้อนอย่างเช่นมีสติเราไปพยายามเล้าสติประคองสติยึดถือสติเอาไว้อย่างนี้นึกว่าเรามีสติสติไม่ใช่ของเราสติเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งสติเกิดขึ้นเราไม่รู้เข้าไปยึดถือเข้าไปเล้ามันเข้าไปประคองมันอย่างนี้เป็นที่ปัสจุนกิเลสทันทีเพราะมันไปเติมมานะเห็นไหมหรือว่าตันหาชื่นชมพอใจยินดีกับการมีสติหรือมีทิฏฐิขึ้นมาว่าสตินีเเป็ของรา เราเก่งกว่าเราดีกว่านั่นเองดีกว่าคนอื่นมีสติมากกว่าเนี่ยที่เรียกว่าวิปัสสนากริยาเรียกว่ามองทางไม่เป็นถ้ามองทางเป็นก็คือมองว่าทั้งหมดสติที่เกิดขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นความว่างที่เกิดขึ้ น, มนไม่ถาวรไม่มีแล้วก็มีขึ้นเดี๋ยวก็ต้องไม่เดี๋ยวก็ต้องไม่สงบเดี๋ยวก็ต้องไม่ว่างอ๋อมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวร น, นี่คือมันเป็นไตรลักษณ์เองเขาเรียกว่าแทนที่จะมองเป็นตัวตนว่ามีเรามี m a n ะตัญหาทิฏฐิมองเป็นไตรลักษณ์ซะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วพอ ความสงบหรือความว่างมัญหายไปมีสิ่งอื่นเข้ามาก็ดูมันอย่างนี้เรียกเราขึ้นที่พรัชนาดูว่ามันไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวง่ายๆแบบนี้เราไม่ได้ยากซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะไปจินตนาการภาพขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องอะไรที่แบบอะไรอะเกินความเกินความสามารถไม่เกินเพ่าเรามองไม่ถูกมุมท่านเองมันเพียงแ่พลิกมุมมองที่เจอมองมุมนี้ปั๊บจะเห็นทันทีเลยว่าอ้าวสิ่งนี้ไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปแค่นี้เองเรียวกว่าการเห็นใจรัก เข้าใจไหมไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปไปอนิจจังมีแล้วทนอยู่กับที่ไม่ได้เรียกว่าทุกขังหรือทุกขลักษณะไม่มีแล้วก็มีมีแล้วหายไปแสดงว่าไม่มีตัวตนถาวรเรียกว่าไปอนัตตาเห็นไหมถ้ามีแล้วไม่มีมีแล้วหายไปอย่างนี้ถ้าไม่เอาแสดงว่ามันมีความว่างอยู่ก่อนเรียกว่าสุญญตาวิโมกหลุดพ้นเพราะว่ามันเห็นเกิดขึ้นอยู่บนความว่างเองทั้งหมดอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกคิดออกมาจากความว่าและความคิดก็แับไปบนความว่างเพราะมันไม่มีมาก่อนไงความคิดนี้ ความคิดเป็นเอาสัญญามาคิดสัญญาก็ไม่มีมาก่อแสดว่ามันผลิแยกขึ้นมาจากความว่างไม่ได้มีตัวตนจับต้องได้ไม่ได้มีรูปมามามาวางให้เห็นอย่างนี้แต่เพราะความไม่รู้เข้าไปอินกับเนื้อเรื่องอย่างนี้ก็เกิดอาการของความทุกข์ใจความอึดอัดใจเข้ามานี่เข้าไปสังเกตแบบนี้ในกะารปฏิบัติธรรมเอาสังเกตแล้วเริ่มมีข้อมูลแล้วมาเริ่มแยกแยะออกแล้วว่าระหว่างเข้าไปอินกับเนื้อเรื่องกับเข้าเห็นลักษณะมีผลต่างในกับของจิตใจจิตใจอันที่เข้าไปอินมีผลเป็นความทุกข์อึดอัดมีความเผลอเผลอขม ว, มว กิจใจที่เข้าไปรู้ลักษณะมีความปร่ปงโปร่งเบาๆมีความเป็นกลางอ๋อผลต่างกันอย่างนี้นี่เองระหว่างเป็นกลางกับไม่เป็นกลางระหว่างรู้กับไม่รู้อย่างนี้ตัวรู้ก็ไม่ถาวร อ, อะไรแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเผยนานไงเพราะมันจําสภาวะได้พอโผล่ปริยั่งมาปั๊บไม่เอาไม่เอามันไม่ทันจะก่อเรื่องไงเดี๋ยวใครมีทีวีที่บ้านนะมียูบิซียอะไรช่องนะกลับไปชนนโยมเอารีโมทกดเลยเลขหนึ่งเป๊กเลขสองปึ๊กเลขสามรับประกันเลยโยมจะดูเลยไม่เป็นเรื่องเลย เห็นแต่ว่าเฮ้ยไม่มีแล้วก็มีไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปให้มีแต่เกิดดับเกิดดับชวนเด็กดูด้ก็ได้นะแล้วแม่เด็กแกถามน้องปราดถามแม่แม่ทําอะไรแม่จะดูเกิดดับรูปแม่ไปดูที่โรงพยาบาลดีไหมอย่างงี้น้งทาราว่าไงเด็กเก่งนอะสองคนนี่น้องปราดการบ้านที่หลวงพ่อให้ไปทำได้เรื่องไหมไม่ได้ครับการบ้านว่ายังไงลืมไปแล้ว อืมสีนี่คือความปกติไม่ทิ้งความปกติ oh oh. อ่ะไม่ไปถึงความโลภซึ่งไม่มปกติอืมเป็นคนปกติเป็นคนปกตินนกตารบ้านแล้วมีเป้าหมายอนะไรเนี้ยเป้าหมายของนักปาดอ่ะทีแรกอะ่ะเป้าหมายว่าจะทําอะไรนะทรักษาสีนะครับรักษาสี น, นี่นะโยมกีโกรบเนี้ยมีเป้าหมายจะรักษาสีนนะสงคือความปกติถ้าใจไม่ปกติก็ไม่มีความสุขถ้าปกติมันก็เป็นกลางดีไหม เป็นกลางคนไม่ชอบเันไม่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ชอบใครใครเจ็บตัวอย่างไม่ชอบหมาเนี่ยอย่างเช่นหมาเห่าเราไม่ชอบหมาทุกใจแล้วเราทุกใจเราทุกใจหมาทําให้ทุกข์หรือว่าทําหรือว่าความไม่รู้ที่ทําร้ายตัวเองเห็นไหมจะฉลาดขึ้นแบบนี้นะจิตที่ปกติมีค่ากว่าอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าปกติเวลาไม่ปกติอย่างเช่นเวลาโกรธเนี่ยคิดอะไรออกไหมให้ไป creative, สร้างสารรค์อะไรได้ไหมไม่ได้ปัญญาดับใช้เวลาผิดประเภท แล้วหนึ่งชาติใช้เวลาอย่างนั้นไม่มีโอกาสพัฒนาเลยเพราะว่าปัญญาบัรดับจะไม่คิดอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ล่ะถ้าปกติมันจะสร้างสารรค์เคลียรได้ง่ายกว่าไหมมันใช้เวลาในหนึ่งชีวิตได้งดงามกว่าได้ปีประโยชน์มากกว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่ากันใช้สายลมเท่ากันแต่คนหนึ่งไปสร้างสถานที่ให้คนมาหลอกลวงกันให้คนมาเสียเงินให้คนมาเสียตัวอีกคนนึงไปสร้างสถานที่ให้คนมาเรียนรู้ความจริงให้คนมาพ้นทุกข์ให้คนมาเข้าใจชีวิตคนรทำมาไหน คนเอาเวลาไปใช้สร้างสิ่งที่ให้คนฉลาดขึ้นให้คนพ้นทุกข์ได้ให้คนมีปัญญาเห็นความเป็นจริงหรือเอาตังค์ไปสร้างสถานที่ให้คนมาหลอกลวงกันดีไหมให้คนมาเสียเงินดีไหมให้คนที่ไม่มีสติและขาดสติมากกว่าเก่าให้คนที่ไม่เสียตัวให้ขาดสติและยอมเสียเนื้อเสียตัวบ้าบๆๆไปควรทําเวลาแบบไหนแล้วก็ดูสิแผนที่ในโลกนี้ก็มีอยู่ตอนที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นเอ๊ะ เราเดินมาตามหลังผู้ใหญ่เหล่านี้เราควรใช้เวลาทําอะไรดีเห็นไหมเราเริ่มต้นจากความปกติแล้วเรามีความคิดสร้างสรรค์เป็นถ้าเราโกรธเรามกบุ่นกับปัญหาปัญญาเราก็ดับมันก็มองไม่เห็นความจริงจึงเผื่ออยู่ต่อหน้าว่าเวลามันน้อยนิดแค่เนี้ยไม่กี่สิบปีเดี๋ยวก็ตายแล้วจะใช้เวลาทําอะไรดีเช้เวลา้เกิดโทษตัวตัเองหรือต่อผู้อื่นหรือใช้เวลาเป็นประโยชน์ตัวตัวเองแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น น, นเรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวที่ทําให้เกิดเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อผู้อื่่่นนตอสวรวรม มีประโยชน์ในปัจจุบันความปกติมีประโยช์ในปัจจุบันไหมมีน้องเพรมตามชื่อเป็นน้อพี่คนพี่ความปกติมีประโยชน์ในปัจจุบันไหมมีในอนาคต ด, ดีไหมเป็นคนปกติดีเห็นไหมเนี่ยตั้งเป้าหมายถูกเนอะจะได้ใช้เวลาถูกน้องธาราละทมอย่างหลังน้ําตาตอนที่คุณแม่หายไปหระปะือเปล่าผู้ใหญ่ก็ฟังไว้นะหลวงพ่อว่าในโลกนี้นะ สนใหญ่นะเด็กเนี่ยเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ไร้เดงสาเมื่อกี้นี้ก่อนจะจากกันกับพระองค์หนึ่งท่านมาถามหลวงพ่อว่าเขาจะเชิญไปบรรยายเรื่องว่าควรให้เด็กเล่นเกมหรือไม่ควรให้เด็กเล่นเกมดีมถ้าหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อบอกถ้าหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อจะถามผู้ใหญ่ก่อนว่าเกมเนี่ยเด็กเป็นคนคิดหรือผู้ใหญ่เป็นคนคิดฮะน้องเพรม ผู้ใหญ่เป็นคนคิดแล้วผู้ใหญ่เป็นคนคิดแล้วก็าสั่งว่าห้ามเด็กเล่นแล้วเขาถามว่าแรกผู OS ้ใหญ่คิดมาทําอะไรล่ะเห็นไหมว่าโลกนี้ผู้ใหญ่หลอกเด็กนะโยมผู้ใหญ่เกลีเด็กนะแรกๆพอเด็กเล่นเกย์บอกอย่าเล่นอ้าวแล้วใครเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วมาสั่งห้ามผมเล่นเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฮะโยมรู้สึกสับสนไหมเพราะว่าผู้ใหญ่กําลังลังแกเด็กนะเด็กนี่ไม่รู้เรื่องรู้ลาลมาก่อนแล้วก็สร้างกลับดักเอาไว้หลอกเด็กอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วพอเด็กเล่นห้ามเล่น จะทำยังไงดีเออทางออกของเรื่องนี้ต้องน้องต้องเปรมคุณแม่เคยสั่งห้ามไหมอย่าถามคําถามนี้นะสรุป แ, แม่ดอกนี่ทะเลาะ ก, กันบ้านหรือพ่อมาถามนี่หร <c oughs> ือพวกเราอยากให้พวกเราพราูพา้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ฟังหรือพ่อสอนเอกเดีเดยวอยากให้ตำหนักว่าทุกวันเนี่ยเราทําอะไรต่อเด็กเราเกเลียดเหล็กหรือเปล่าหรือว่าห้ามเด็กช่างคนตีกันแล้วเด็กช่างคนถามว่าอย่างนี้ละกันถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในในรัฐบาลหรือในประเทศไม่ทะเลาะกันผมจะเลิกตีกันเด็ดขาดเลยครับ โยกี้ว่าคําถามนี้มันน่าจะน่าจะรู้สึกว่ามันงดงามไหมโยมรัาผู้ใหญ่ทําได้ผมจะทําแน่นอนเลยครับผมทั้งสองโรงเรียนจะไม่ตีกันแต่ขาดเลยครับถ้ารัฐบาลไม่ตีกันได้มไหมเด็กๆลองถามีดูบ้างนะรู้สึกว่าคุณพ่อกำลังจะหาโทษใส่ตัวนั่นเองกู <c oughs> ้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองในปัจจุบันในอนาคตอาจจะเดือดร้อนได้เดี๋ยวพ่ออยากชวนผู้ใหญ่ทั้งหลายแหลให้ตำหนักมุมนี้ดูบ้างนะว่าอย่าจะไปห่วงแต่โทษแต่เด็กหรือสั่งแต่เด็กอย่างเดียว อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่าเล่นเกมอย่าทะเลาะกันลองดูตัวเองบ้างว่าเราตั้งสติดูแลชีวิตเราแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวเราต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมต่อปัจจุบันต่ออนาคตเป็นหรือเปล่าอย่างที่เด็กที่หลวงพ่อกำลังสอนให้ตั้งเป้าหมายให้ถูกเพราะเวลาเขาเหลือเยอะไหมเยอกเยอะเขาพอจะตั้งเป้าหมายถูกแล้วพอจะก้าวเดินได้แต่ผู้ใหญ่บางทีบางเดือนเขาไปติดกับดักแล้วมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะมันค่อนข้างจะยากเลยฝากความหวังไว้กับเด็กแต่ผู้ใหญ่แต่ละคนที่อยู่ใน หน้าที่การงานและหลายๆอย่างหรืออยู่ในบ้านก็แล้วแต่อยากให้กลับมามองดูตัวเองด้วยนะอย่าไปมองจะบังคับแต่เด็กอย่างเดียวรู้สึกว่าเราทําตัวอย่างแบบนั้นหรือเปล่าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใครเป็นคนทํากันแน่เด็กเป็นผู้ไร้เดียงสาไ ม, ไ, มไม่ได้มีไม่ได้มีข้อมูลเหล่นี้มาก่อนเลยข้อมูลนี้ผู้ใหญ่โปรยไว้เท่า น, นั้นเลยพอเด็กเกิดมาปั๊บก็เสพข้อมูลทันทีเป็นความผิดของเด็กเหรอลองตั้งคำถามไปดูบ้างเนื้จะได้อาจจะได้พบคําตอบว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่รังแกเด็กดีใจไหมเด็กๆ มีพระมีพระบังหน้าเอาหลวงพ่อไปห้อยได้ไหมจะได้ปลอดภยัยคุณแม่ตีไม่ได้แน่นอนหลวงพ่อช่วยพูดหน่อยผมนึกไม่ออกแล้วหรือพ่อเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี่นะหรือว่าการภาวนาเนี่ยเรียกว่าพัฒนานั่นเองเราอย่าละทิ้งเรื่องการพัฒนานะพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตพัฒนาความเข้าใจชีวิตนั่นเองแล้วชีวิตจะเดินเดินทางอย่างมีเป้าหมายความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อพูดก้าวแรกเนี่ย รัสื่อโสสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นเป้าหมายมันรู้สึกตัววันนี้เป็นมันรู้สึกตัวที่2ถึงความเครื้อกูลในเป้าหมายในชีวิตในการดําเนินทางมีชื่อภาษาแขกเหมือนกันนะแต่ในวันถึงพ่อโมเมขึ้นมาเองเรียกว่าสับปลายะสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าอะไรมันเกื้อกูลอะไรมันสับปลายะอย่างเช่นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยต้องรู้สึกตัวนะว่าเราเคบเพื่อคนนี้มันเกื้อกูลไหมหรือเพื่อคนนี้ชวนเราไปเสียหายมีประโยชน์ไหมที่เราจะไปเสียหายจะไปเสพยาเสพติดไม่มีประโยชน์ มีความสุขไ ม, ไม่ได้มีความสุขจริงจังไปอาศัยเหยื่อจากภายนอกไม่มเหยื่อทั้นก็ล้มพังคืนในชีวิตไม่ควรเลยในคะนที่มีสติรักษาตัวเองดีกว่าหรือไม่ต้องพึ่งรอพึ่งจากสิ่งภายนอกรอโหยหาจากสิ่งภายนอกเสมออย่างเดียวนี่เรียกว่าเรียกว่าโคมีสัพพยะสัมภาชนญะเป็นรู้สึกตัวเป็นในสิ่งที่มันเกื้อกูลตั้งแต่การครบคนในสิ่งที่เกี่ยวข้องฐานที่ที่ไปเห็นไหมรวมถึงการเรียนอย่างนี้พวกเราอย่างนี้มามาเรียนในสิ่งที่มันสัปพายะไม่ได้พาประเด็นเรื่องงมงาย หรือการปฏิบัติที่มันสับปายะหรืออะไรยบทที่มันสับปายะอะไรยบทไหนสับปายะตอนนี้นั่งอยู่สับปายะสัพักก็ไปเดินคือนี้ทั้งง่วงแหละออกไปเดินจงกรมสับปายะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเดินสักพักแล้วจิตมันสงบเอ้ยมานั่งดีกว่าวิเวกตอนนี้นั่งสับปายะนั่งแล้วมันเห็นสภาวะธรรมท่างในชัดเพราะว่ากายมันวิเวกมันไม่ถูกลบกวนได้เครื่องเศร้าหมองข้างนอกจิตมันวิเวกกิเลสมันวิเวกอย่างนี้แล้วก็ดูว่าอ้าตอนนี้มันสับปลายะกว่า ต้องรู้สึกตัวขึ้มาตัวนี่เป็นตัวปัญญารู้สึกตัวขึ้นมาเสร็จแล้วเา จ, จิตจะเผลอสงออกนอกไปวิาพากษ์วิจารเรื่องราวที่ไร้สาระอย่างนี้กดทีวีดูแล้วครับไปนั่งเผล อ, อินอย่างนี้เป็นขจรออกนอกไม่ได้ประโยชน์สิ่งนี้นเกิดแล้วกระดับดูเขาเลี้ยงฉลองแต่งตั้งเฉลิมฉลองประธานาธิบดีเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะประเทศที่อยู่ภายใต้อนา น, านิคมของเขาเราเลยต้อง เขไปชื่นชมเมืเข้าด้วยหรือว่าเป็นอิสระภาพกันแน่อะไรอย่างงี้พูดกระเซ้าเย้าแหย่กันลเล่นๆนะ <c oughs> หรือว่าเราอาจจะชื่นชมว่าเออโรคมันได้ปริย้มปริบานมุมมองไหนของศาสนาชีวิตว่าใครจะไปเคยคิดว่าสมัยก่อนคนยุโรปหรือคนผิวขาวไปล่าทาสเอาชาวนิกโครมาเป็นทาสวันหนึ่งมันกลับมาเป็นหัวหน้าเรา <c oughs> แต่โรคมันก็ช่างงดงามนะมันสามารถกระเซ้าเย้าแหย่แล้วให้สันติภาพหรือให้ความเสมอภาคกับสติปัญญา ภายใต้เปลือกของสีผิวไม่มีบทบาทอีกต่อไปสติปัญญาเรืองรองทางหาที่มันฉายแสงสว่างนำหน้าหรือชีทิศทางให้กับมนุษยชาติได้และคนเริ่มใจกว้างมากขึ้นเออมันน่าชื่นชมยินดีกับบุมบองนี้เเห็นคนผิวดำลหลายๆคนตั้งแต่คุณวิลสมิธคุณอะไรต่างๆเข้ามารู้สึกตื่นเต้นเ บ, บิกบานว่าสิ่งที่เป็นความฝันของคุณอะไรนะนะเออ มาตินดูเธอร์คิงเป็นจริงขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นก้าวก้าวใหม่ของของโลกในมุมมองว่ามนุษยชาติเริ่มเปิดใจกว้างขึ้นในพวกเราล่ะเริ่มมองกันแบบเปิดใจกว้างไหมหรือมองหลวงพ่อเป็นแค่พระบั้นนอกอะไรอย่างนี้คนไปวัดชอบบอกนะหนูมาจากกรุงเทพค่ะเหมืลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อคนเดินอยู่แถวสุข COVID ุมศิท้วมีคนได้บอกว่าหนูมาจากกรุงเทพค่ะเราเรานี่หน้าตาบั้นนอกมากเลยอะไย่างนี้ <c oughs> ดูตลกตลกไงเวลาคนประกาศตัวมันเรียกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นศาสนาภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วมองคนมองคนต่างจังหวัดเป็นคนที่ต่ําต้อย ก, กว่าเราเล่นนะไม่ถึขนาดนเราบางแต่บางคนก็มีความเป็นแบบนี้แอแฝงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลาไปวัดป่านี่ก็พระวัดป่าจะต้องป่าเถื่อนอย่างงี้อยู่ป่าจะไม่ป่าเถื่อนก็ได้เนาะใช่ไหมอย่างน้อยก็ไม่ไม่ฆ่าอีเห็นนะเพราะว่าเป็นตัวพระเห็นอยู่หลังกุฏิพระเอง ที่วัดไม่มีตัวเห็นนะโยมมีแต่พระเห็นเต็ไมไปหมดตัวแบบเดียวกันเปรียบยแต่ไม่มีไม่ไม่ใช่ชื่ อ, อ, อเห็นชื่อพระเห็นเพราะหลวงพ่อเป็นคนเห็น <c oughs> <c oughs> ตัวเหมือนในข่าวเปรียบเลยเห็น <c oughs> ว่าไม่ต้องปาดเปลี่ยนก็ได้นะหลวงพ่อเราเปรียบได้ว่าเราสามารถเปิดใจให้กว้างขึ้นจากการเรียนรู้เรื่องราวข่าวสารก็ได้เปิดรับทัศนที่ใหม่ๆต้อนรับของขวัญของชีวิตแบบนี้ก็ได้แล้วก็เริ่มมองสิ่งต่า ง, างๆรอบตัวอย่างให้ความเคารพอย่างเช่นขับรถไปทํางานตอนเช้าเนี่ย เห็นสวนกลางถนนเกาะกลางถนนเห็นใบไม้เกาะกลางถนนมันเต้นอารบิกแกว่งแขนแกว่งใบอยู่เห็นชาวสวนที่แต่งเกาะกลางถนนมีความสุขเห็นดอกไม้มันรรีบานเะมันมีของขวัญบรรยากาศเราเต้นไปหมดอย่างเสมอภาพไม่จะบอกว่านี่คนสวนนี่คนภายนอกทําสวนไม่ใช่ให้ความเคารพแม้แต่แม้แต่ใบไม้นะหลวงพ่อมองไปว่าจริงๆนะมองเห็นไม่ที่มองผ่านไปเห็นใบไม้มันไหวๆผ่านสายลมเราจะใช้ภาษาว่าเริงรํามันก็ดู เฉยๆไดูบอนต้นอะลเบริกออกกาลังกายแล้วก็เผยดูซับเอาไอ้ควันพิษแล้วก็แบ่งปันเอาออกซิเจนมาบันดาการให้กลมหายใจของเราบางทีมันก็นั่งสมาธิอยู่กลางเกาะถนนในยามค่ําคืนเพื่อตอนเช้าจะได้เบ่งบานเป็นดอกไม้อยู่หน้าออฟฟิศเราอยู่หน้าบ้านเราที่สวนย่อมแต่ไม่เคยคือมีใค ร, ใค ร, ใครมีเวลาดูเลยเพราะทุกคนจะรีบไปทํางานของขวัญ น, นั้นมากมายนะที่ยังผิดแย้เต็มอยู่รอบตัวเราเป็นของขวัญแห่งความเสมอภาคเหมนที่ ป, ปรากฏการณ์ใหม่ของคุณสถานใตอเมริกาเนี่ยแหละแบบเดียวกันหนูพ่อว่าถ้าเราเปิดใจกว้างๆหน่อยแล้วก็ยอมรับโลกในกว้างๆขึ้นมาเราจะเห็นความงดงามอีกมากมายหรือเห็นขันหน้าในทุกสรพสัตเนี่ยอย่างเสมอภาคที่ไม่ใช่มีใครอยู่นั้นเลยมีแต่เป็นความไม่รู้ที่ได้ยังสาท่านั้นเองจิตใจจะเกิดมีความเมตตาเขาเรียกว่าเมตตาอย่างมีปัญญาไม่ได้ใส่แซงที่จะเมตตานะเพราะมันเข้าใจความจริงไงเหมือนเราเห็นนอกอย่างเงี้ยเนอะมันก็มีคันห้าเหมือนกันแต่มันได้ยังสานะมันได้ยังสานอะอะไรอย่างนี้ มันผัดเวรกันไปที่กิ่งไม้ที่ต้นไม้โฉบแลกบ็บรรดาการได้เสียงเพลงอยู่ในอากาศพอดีบ้านพักที่หลวงพ่อมาพักที่กรุงเทพเดลามาเนี่ยจะไปพักแถวริมคลองเมืองนนท์รู้สึกว่าโอ้ไม่มีของขวัญอีกมากมายที่คนกรุงเทพมองข้ามไปเนือย่างเสียงนกได้มาเป็นของฟรีที่ล้ําค่ามากเลยแล้วหลวงพ่อนะในการไหวตัวของใบไม้ในแสงแดดโอ้มันมีความงามที่ล้าค่าแต่คนก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชื่นชมหรือเปิดใจให้กว้างที่จะรับศักยภาพของชุดแบบนี้ จะไปคอยหอยหาความสุขที่ไกลเกินเอื้อมหรือในอนาคตจะตือร้ น, นทะเยอทะยานผ่านปัญหาไปไ ข, ขว้าจากสิ่งที่ไกลตัวหรือมองของขวันที่เป็นของฟรีหคุณว่ากำลังเปรียบเทียบว่าเออคนที่คนที่มีบ้านแล้วหรือไม่ว่ามีต้นไม้หรือว่าอะไรต่างๆนะมันได้ของฟรีแถมมากมายอย่างเช่นนกเนี่ยเป็นเสียงร้องที่แถมเป็นของฟรีโยมโดยที่ไม่ต้องไปจ้างมันร้องเพลงเลยนะแล้วไม่ต้องไปฟังผ่านหมอกควันผ่านเสียงครี๊ดด้วยนะถือปเป็นฟรของฟรี ในกำลังพูดถึงว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตมันจะเกิดพัฒนามีศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างงดงามมีใจเป็นกลางอย่างสันติภาพจริงๆสันติภาพนี้ไม่ได้จากไปแล้ว left, ไม่ได้กลับมาไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ที่สันติภาพคือความเป็นกลางไหมคือความเป็นกลางและความเป็นกลางมันมีอยู่ก่อนไหมมันมีอยู่ก่อนความไม่เป็นกลางที่ไม่มี ท, ที่มีมาทีหลังคือความหลงคิดไงว่าอันนี้ไม่ชอบมันมีมาก่อนหรือไม่มีความเป็นกลางมันมีอยู่ก่อนแล้วสันติภาพยังไม่ต้องไปรอจากองค์กรไหนๆนะ มีอยู่แล้วทุกขณะถ้าจิตเป็นกลางปั๊บรู้ใจใจเป็นกลางปั๊บสันติภาพจะเกิดขึน้นเพราะว่าอันนี้คือเป้าหมายที่งดงามนะไม่ต้องรอจากองค์กรไหนไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่โลกจะมีองค์กรใหญ่จะสร้างสันติภาพมันสามารถมีได้โดยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงแค่รู้สึกตัวเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปดูได้ใจเป็นกลางสันติภาพจะเกิดขึ้นในใจนะเป็นของขวัญนันล้ำค่านั่นเป้าหมายของาศาสนาพุทธจึงชื่อว่าสันติสันตินี้เป็นชื่อหนึ่งของนิพพาน สึ่งเป็นสภาพที่มีอยู่แล้วไม่ได้จากไปและไม่ได้กลับมาโยมสังเกตไว้ว่าโรคกำลังโหยหาสานติแต่สารติมีอยู่แล้วไม่ได้จากไปและไม่ได้กลับมามีร่องรอยอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ไม่มีคนเห็นเห็นไหมน่าอัศจรรย์นะน่าอัศจรรย์ทีงว่าความจริงนั้นมันเปิดเผยตลอดเวลาเมื่อเกิดการพัฒนาแต่ถ้าหากว่าอย่างตัวพ่อเปรียบเทียบเด็กที่ถามเด็กเนี่ย เ, เวลาที่เราโกรธเวลาที่เราโลภปัญญาดับมันเลยไม่เห็นสิ่งเหล่า น, นี้ไงโยมเราก็จะเก็บแต่กายไขว้คว้าไปตามความโกรธ ท, ที่จะไปที่จะไปทําร้ายอีกฝ่าย น, นนนึงงใาขอไร ในนามของสันติแต่ไม่ใช่สันติถัวจริงนะเห็นไหมเมล็ดเกิดเป็นอาจาการสงครามและต่างๆขึ้นมาดาดอาดัดงอกงามไปทั่วทั้วหัวและแหงของโลกนี้แก้กันไม่จบไปสิ้นทุกทีหนึ่งเพราะมันใช้อะไรอ่ะใช้อาญากรในนามของสันติอยู่เรื่อยๆอย่านไม่ใช่สันติตัวจริงสันติจริงคือใจที่เป็นกลางจากการเห็นความจริงตัางหาอันนี้เป็นของก่อนที่ทุกคนสามารถแบ่งปันให้แก่กันและกันได้นนตั้งแต่ในบ้านในชุมชนในสังคมในที่ทํางานไปจนถึงในระดับมหาภาคนะ ถ้าถาว่าความเข้าใจนี้มันสูกส่งมอบต่อไปจากปัญญาดวหนึ่งไปสู่ปัญญาดวหนึ่งจากความเข้าใจหนึ่งไปสู่อีก็ความเข้าใจหนึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมหรือไกลเกินฝันเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเห็นถ้าคนนึงเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจมันจะส่งประกาศนัศมีเนี่ผ่านไปอีกที่หนึ่งเหมือนเหมือนที่ก็ต่อเทียงนนี่น่ารักดีจากเทียนดวหนึ่งต่อไปอีกดวหนึ่งดวหนึ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นเขาก็สร้างเป็นสิมบอลผ่านรูปธรรมแต่สิมบอลจากนามธรรมจะไม่ค่อยมีคนทำก อยเทียบเราเห็นนี่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเเข้าใจขึ้นส่งต่อเทียนนี้มาสู่เราแสงสวา่างบางคนได้รับแล้วรู้สึกโอ้โหมุมนี้เป็นมุมที่งดงามถ้าไปเห็นมุมนี้ชีวิตคงจะเศร้าหมองหรือจมปักอยู่กับความทุกข์อย่างที่อย่าที่หาทางออกไม่เป็นพอพูมนี้แล้วเราพบทางออกเป็นเห็นไหมคบว่าพบทางออกมีชื่อภาษาแขกเหมือนกันนะมีปีชายานเห็นทางออกแล้วชื่อว่ามุนจินตุกรรมยตาญาณจําได้ไหมจำไม่ได้ฟังภาษาไทยดีกว่าเนาะค น, ค น, ค, นคนรุ่นใหม่ฟังภาษาไทยก็ได้ไม่จําเป็น แต่หลวงพ่ออ้างภาษาบาลีนี่เพื่อเห็นว่านี่คือร่องรอยที่พิชาตท่านวางเอาไว้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเห็นเองนะเปี่ยนแต่มองตามท่านและสิ่งนี้ยังมีอยู่ทําไมเราไม่มองละ่ะนะทําไมเราละเลยเราประมาทอยู่นะ่ะมีใครจะคุยอะไรกันไหม ได้ได้บางทีเราก็ใช้ปัญญานําหน้าสมาธิก่อนอย่างการฟังอย่างเงี้ยการฟังนั้มันเป็นการใช้ปัญญานําหน้าสมาธิเราฟังพอเป็นแผนที่พอเข้าใจเดี๋ยวนั่งทบทวนนิดหน่อยทบทวนพอเข้าใจแล้วเราก็เราก็สังเกตของจริงเลยทีนี้เพื่อทบทวนเพื่อเพื่อให้ประจักษ์หาข้อสรุปเจอพอสรุปเจอและวเนี้ยฟังหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกปัญญาดำหน้าสมาธิเรากําลังเรายังไม่พอพอเราฟังแล้วพอเราเข้าใจปั๊บเรากลับไปอยู่ลําพังอย่างเช่นคืนนี้ล้กันนะเรากลับไปที่บ้าน เลยมีคนและอยู่คนเดียวเงียบๆนี่เรานั่งอยู่สักพักหนึ่งเออสลวงพ่อบอกว่ามันไม่มีแล้วมีเราก็ดูอยู่พ อ, อมไม่มีแล้วความคิดก็โผล่มาเลยความจําเรื่องหลู่พ่อโผล่มาเอ้าความจํานี้ไม่มีขึ้น ม, มาก่อนแล้วก็มีอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรก็ได้หมดเลยอะไรก็ได้ที่ ท, ท, ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีมาก่อนแล้วปรากฏขึ้นมาปรากฏแล้วมันก็ทนอยู่กับที่ไม่ได้สลายตัวทันทีทันใดเลยเดี๋ยวลองดูสิทุกๆตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสลายทันทีทันใดเลยขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเสื่อมสลายทันทีทันใดอย่าง เรียกว่าดูเป็นแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าดูได้ใจเป็นกลางไอ้สิ่งที่ผ่านมาก็ดับไอ้ตัวที่เห็นเป็นกลางไอ้ตัวที่เป็นกลางมันไม่ทุกข์งไงทีนี้เห็นไหมแต่ถ้าแบบไม่ชอบมันไม่อยากให้มันคิดเพวกที่ทําสมถะแล้วพยายามจะกําจัดนิวรณ์สู้นิวรณ์ทําลายนิวรณ์เนี่ยมันเลยอึด อ, อัดเพราะว่าจะต้องไปนั่งทุบหัวงูจงอางทุบหัวงูเห่ายังไม่รวมกับที่อยู่ที่หลังชายชารานะ <c oughs> <c oughs> พูดหักมุมนิดหน่อยนะพอ พอเป็นบรรยากาศของความของความคิดว่านี่พอหลวงพ่อพูดไม่มีแล้วก็มีขึ้นเราเกิดจินตนาการภาพตามเพ่ออะไรเพราะเรามีสัญญานึกออกไหมหลวงพ่อพูดถึงงูเห่าเนี่ย ง, งูจงอางโยมดูให้ดีนะว่าไอ้งูพื่นี้ไม่ได้มีมาก่อนนะโยมถ้าหากว่าเราจเจริญสติมาก่อนนะโยมโยจะไม่ต้องทำร้ายนิวรณ์ห้าเลยเชื่อไหมสติถึงเป็นต้นทางเพราะว่าขาดสติทั้งหาที่ว่าหูกระทบเสียงปั๊บเอาความไม่ชอบมาเก็บไว้ในใจความไม่ชอบไม่มีมาก่อน แต่ว่าเมื่อไรมีสติแต่ปัญญายาบีอยู่ฮีเลตตาปะชื่อไม่เหตุสมบูรณ์เมื่อไรฮีเลตตาปะไม่อยู่อินรีย um, um, ์สังวรชื่อไม่เหตุสมบูรณ์เมื่อไรอินรีย์สังวรไม่อยู่ศีลที่หลวงพ่อบอกน้องเพรมเนี่ยความปกติชื่อไม่เหตุสมบูรณ์เพราะความไม่ชอบมันไม่เข้ามาไงถ้าความปกติมีอยู่หรือศีลไม่อยู่สัมมาสมาธิชื่อไม่เหตุสมบูรณ์เพราะมันไม่ถูกนิวรห้าลบกวนไงแต่พวกเราเนี่ยขาดการเจริญสติในชีวิตประจำวันชอบจะรอไปทําสมาธิ ตอนอยู่ที่บ้านตอนก่อนนอนหรือไปที่วัดไปทําสมาธิแต่ทั้งวันเก็บเอางูเหา่างูจงอ า, งอาไว้จากอะไรล่ะจากขู่กระทบเสียงเอาความไม่ชอบไปในใจเห็นไหมขาดสติแล้วพอไปถึงบ้านไอ้ความไม่ชอบก็ฟุ้งขึ้นกลายเป็นพยาบาทนิวรพยาบาทนิวรไม่มีมาก่อนไม่ได้มีตัวตนด้วยอาศัยเหตุปัจจัยจากความไม่รู้เกิดขึ้นอย่างนี้ถ้ามีสติเห็นไหมสมาธิไม่ต้องไปรอนั่งที่บ้านไปรอนั่งที่วดัดสามารถตั้งมั่นเป็นกลางได้กับชีวิตประจําวันด้วย สามารถเจริญนายปรากฏการ์ที่ผ่านเข้ามาอย่างมีปัญญาที่แหลมคมแยบคายหรือมีความเฉลียวฉลาดแต่ไม่เฉลียวไนดะ้บางทีนะคำว่าเฉลียวคือเฉลียวมองมั้งไงว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่มีแล้ก็มีถ้ามีแล้วจิตใจสมองไม่เอาใจก็เป็นกลางดับใจก็ตั้งมั่นขึ้นสมาสมาที่ก็เกิดได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวไปเจริญนั่งสมาธิที่วัดไปนั่งวิปัสนาที่วัดนูน้นนั่งวิปัสนาวัดนี้ไม่ใช่วิปัสนาเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะถึงแบบว่าถ้ารู้แล้้้วววออิิันนนาเเกดขึแลี่ย ผู้ปฏิบัติธรรมคนนี้มันจะประจักษ์ด้วยตัวเองทีอ๋ออย่างนี้เองที่เขาวิปัสสนาแล้วมันสามารถเห็นได้เด ering เดืองมาทีนี้พอได้เด e r i ที่โยมถามนี่แหละให้ความสุขงอมมันก็รอคอยอยู่เบื้องหน้าเหมือนการลดน้ําคนดินมันเกิดอย่างสม่ําเสมอคืออะไรล่ะวิริยะสัมโผชงความเพียรหรืออะไรล่ะวิริยะภะระเห็นไหมศรัทธาภะระมีเหตุมีผลว่าทําอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุมีผลเสร็จปับ๊บกำจัดความงมงายกำจัดความเกลียดค้านเสร็จปับ๊บ วิริยะภาระก็ทํางานทันทีเลยด้วยการไม่ทอดทิง้งมีความเพียรในการตามดูตามรู้ปิดกั้นอกุศลสติภาระเนี่ยเห็นไหมไม่กล้าประมาทแล้วเพราะถ้าประมาทอากุศลเข้ามาครอบงําใจเห็นไหมสตินซเนี่ยงอกงามขึ้นสติภาระงอกงามขึ้นเห็นไหมสมาธิภาระตั้งมั่นขึ้นปัญญาภาระเนี่ยเห็นความเป็นจริงกำจัดความหลงทํางานร่วมกันอย่างนี้แล้วอย่างสอดคล้องอย่างงดงามที่ยอมถามเรื่องสมัคคีเนี่ยมันจะทํางานกลมกลืนกันในฝ่ายปัญญาทั้งหมดอย่างสอดคล้องกันรับ รับเหตุรับเผลก็อย่างงดงามอย่างกลมกลื่อนนั่นเองพอเข้าใจนะจนคำว่าสมถะเนี่ยที่บอกว่ากิดหลวงพ่อพื่งแล้ ว, ว่าเราใช้แค่คณิกาสมาธิก็พอคณิกาสมาธิถึงมีคําโบราณว่าคณิกาสมาธิก็เพียงพอเป็นบาดฐานวิปัสสนาอย่างเช่นพอเผลอแล้วดับกลายเป็นรู้รู้ตั้งมั่นได้เป็นนานกต่ที่รู้เนี่ยเรียก ว, ว่าคณิกาสมาธิคือใจเป็นกลางแวบหนึ่งพอแวบหนึ่งปั๊บเผลอใหม่รู้เห็นไหมอ๋ออันนี้ไม่มีแล้วก็มีขึ้น มีแล้วก็หายไปนี่ก็คณิกะสมาธิก็เพียงพอเป็นบาทฐานที่เป็ น, นาคือเห็นแล้วว่ามันไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไป <c oughs> พอเห็นว่าหายปั๊บใจรู้แต่กําลังไม่พอก็เผลอใหม่แต่เห็นว่ า, วามันทํางานต่อได้ไม่ยาวความเผลอมันอะไรแค่สั้นๆสั้นๆมันอะไรก่อเรื่องที่ไม่ได้ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าเราไปกดรีโมททีวีดูที่ UBC ีซิเปิดปั๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ม, น, น, ยนมันเกิดดับมันจะสร้างเรื่องได้ไหมว่าดูหนังแล้วก็ร้องไห้ดูหนังแล้วก็กลัวดูหนังแล้วก็โกรธไม่มีเลยเ แต่ส่วนใหญ่เราดูนานไหมเผอนานก่อนแล้วก็ <c oughs> นั่งสนใจแล้วก็สักพักมันก็โกรธบ้างร้องไห้บ้างเกลียดบ้างทุกข์ใจบ้างไร้าสาระไหมเหมือนกับ ก, กดรีเมเบิดความคิดปุงแต่งให้ทํางานแล้วก็นั่งยินกับมันอย่างที่เป็นต้นเนี่ยเอาไห ม, ออไหมแต่ถ้าไม่เอาปับ๊บดับไม่เอาปับ๊บดับพ อ, อเห็นภาพนะเรียกว่าคณิ ก, กะสมาธิก็เพียงพอเป็นบาดฐานที่ปรนาคือเพราออุปสนเป็นเกาะตัวไม่ได้ก็ยอมเนี่ยอนุภาพออกไหมไอ้ความเศร้าหมองมันก็ไม่ไม่ทวีตัวรุนแรงเป็นกรองเพลิงเนี่ย ไม่ต้องถวายพระเพลิงตัวเองนะเห็นไหมข <c oughs> อสรุปนะสรุปสําหรับคนที่ปฏิบัติร่วมกันมาในหลายปีเลยอสายช่วงที่ผ่านมาก็ดีสรุปว่าก้าวเดินในปัจจุบันนี้หรือที่จะก้าวต่อไปในปีนี้ในย่างาก้าวต่อชนี้ที่จะออกจากสาราก็ดีในค่าคืนนี้ก็ดีให้เรามองมุมของขันห้าเป็นไตลักษณ์ไว้เสมอเสมอ เราจะได้เห็นเป็นปัญญาเข้าไปสอดคล้อ ง, เ, เ, งญญ เ, หเห็นบุ่มเดียวกันเวลาคุยกันแต่ละครั้งในปัญญาที่เห็นมันจะได้เห็นมุมเดียวกันการสนทนาก็จะเริ่มต่อยอดราบลื่นและงดงามขึ้นพอเห็นมากกว่นี้ก็จะคุยกันสอดคล้องกันมากขึ้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะแบบว่าเห็นในมุมบุมเดียวกันอย่างนี้ไปเสมอๆตามๆกันไปอย่างนี้มันจะไม่ค่อยทิ้งช่วงห่างลอ น, นึกออกไหมให้เรารู้ว่าเออเราเดินมาหลา ย, ลายปีและหรือว่าหลายช่วงในการปฏิบัติเราลองเก็บข้อมูลดูแล้วสรุปว่าอ๋อมองมุมนี้ดีกว่า บ่มนี้บุ่มเดียวเท่านั้นเองที่ใจจะเป็นกลางได้โดยการเห็นขันห้าเป็นไตรักขันห้าคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงในใจนะไม่ใช่ข้างนอกนะฮะโดยในใจเช่นสัญญาเกิดขึ้นไม่มีจำไหมนะเราอาจจะคําคำนี้ไปก๊อปปี้หรือไปคอปป์ลงไปก่อนก็ได้ว่าสิ่งนี้ไม่มีแล้วก็มีขึ้นแล้วตอนนี้มีแล้วก็หายไปแล้วเราไปสังเกตดูหนูก็ที่ถามเนี่ยถ้าเห็นบ่มนี้ปั๊บหรือว่าอาจจะมีคํญญาบรรยายที่หน่อยช่างมันนะ อ่างี้ปั๊บใจจะเป็นกลางทังนทีอ๋อเป็นกลางแบบนี้นี่เองจะเข้าใจกัว่าเป็นกลางจริงๆหรือว่าตื่นเป็นเลยอ๋อคำว่าตื่นงคือออกไปจากโลกของความคิดเนี่ยหรือว่ารู้สึกตัวเป็นแล้วจะได้ไปต้อไปถามครูบาจาว่าหนูรู้สึกตัวหรือยังหนูตื่นหรือยัง อ, อ, อย่างนี้ปั๊บอ๋ออย่างงี้ต้องไปอ๋อจะไงเออ <c oughs> นั้นต้องอ๋อนะต้องอ๋ออ๋อนี่เองที่เรียกว่าขันห้าเป็นไตรักเห็นมุมนี้นี่เองแล้วจะรู้สึกว่ายิ้มขอบใจ กตัดสู้ของพุทธองค์หรือขอบใจพระธรรมที่ถูกรักษามาสองพันล็อปีมาถึงมือเราแล้วเราได้เห็นแสงสว่างอันนี้ขอบใจหรือขอบคุณพระสงฆ์หรือพระสงฆ์ต่างๆที่สุสาช่วยรักษาคําสอนนี้มาส่งมอบถึงมุรีรัในปัจจุบันนี้จิตใจมันจะเกิดความอ่อนน้อมหรือเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ประจักษ์ขึ้นและเป็นความรุ่งเรืองนในจิตใจอขอฝากทุกๆคนให้ทํากันบ้านว่าเห็นขันห้าเป็นแต่รักด้วยใจที่เป็นกลางจาก่อนนุโมทนานะคับทุกคน